เรื่องของตัวภาคบ่ายอันนี้เหมือนเดิมแต่ว่าเวลาที่เราเรียนวิชาภาคบ่ายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคราวที่แล้ว65นาทีตอนนี้จะเป็น90นาทีออลองดูที่วันจันทร์นะคะที่เราเรียนเราเห็นว่าชมรมภาคบ่ายจริงๆตอนนี้มันไม่ใช่ชมรม น, นะคะคือมันก็เป็นการให้ให้เขเรียนดยนตรีศิละปละพณะดนตรีเนี่ย เซสชันที่1่อันนี้จะเหมือนกับปีที่แล้วที่ mm hmm. นักเรียนได้เรื่องนะคะเซ n ชันที่1่ของบรรจัรก็อยู่ในช่วงแรกแล้วก็เซสชันที่2แล้วก็มาวันพุธวันพุธช่วงกว่า mm hmm. ก็คือเซสชันที่ส mm hmm. ของวิชาภาคป่าย mm hmm. ซึ่งเดี๋ยวทางทีปุครูจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะวิธ mm hmm. ีการเลือกจะเหมือนปีที่แล้วเลย mm hmm. ไม่ได้มีความแตกต่างนะคะ mm hmm. ทีนี้พอเราปรับเวลานีละคะ พอปรับเวลาปุ๊บมันมีผลทําให้ในวันจันกับวันพุธเนี่ยคะ่ะถ้าดูในตารางเนี่ยนักเรียนจะได้กลับบ้าน4ี่โมงครึ่งเพราะว่าเลิกวิชาภาคบ่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็4ี่โมเย็นแล้วนะะเราก็ให้ถัดของว่างแล้วก็ทําำภาษาดังนั้นพ่อคแม่ก็จะได้จะได้ไปรับลูกตอนสี่โมงครึ่งของวันจันแล้วก็พุธยกเว้นนะคะนักเรียนที่เิเรียนในกลุ่ม ข, ของ AEB Bob Orchestra วันพุธนี้คุณครูก็จะขอให้มา5โมงครึ่งมีการซ้อมรวมระหว่่งประทมกับมัธยมด้วยนะคะเฉพาะกลุ่ม r าเ o นฟอฟออ s t สตแลซึ่งเดี๋ยวคุณครูเชฟจะบอกอีกทีนะคะอันนี้มีมีผลดังนี้ทำให้ชมรมที่เราเคยมีในวันจันทร์ตอนเย็นนะคะ4โมงถึง5โมงเราก็เลยจำเป็นต้องหยุดไปก่อนไม่อย่างนั้นเด็กๆก็จะกลับบ้านเย็นมาก ยกเว้นยกเว้นที่ยังไงก็มีก็คือการเรียนโขนในในของป .6 เนี่ยค่ะแต่ว่าถ้ามีนักเรียนป .5 ที่สนใจเนี่ยนี้เรายังเปิดอยู่นะคะแล้วก็ชมรมดูนกซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องโขนเนี่ยท่านอาจารย์ชนะ ย, ยังไม่ได้สรุปแน่นอนว่าตกลงว่าจะเอาวันอังคารหรือว่าวันศุกร์นะคะแต่ว่าเราพยายามจะให้เรียนในวันอังคารท่านยังไม่ะคอนเฟิร์ม ซึ่งถ่านักเรียนสนใจเนี่ยก็สามารถเรียนร่วมกับป .6 ได้นะคะดูนกนี่เดี๋ยวคอนเฟิร์มเรื่องวันทะะีดังนั้นชมรมที่นักเรียนเคยทำกันในตอนเย็นวันจันทร์ก็จะจำเป็นต้องหยุดไปก่อนไม่อย่างนั้นเจอกลับบ้านเย็นมากแล้วก็หลวัดด้วยนะคะนิดโดยตารางเวลาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในชั้นป .5 ห, หลักๆในโครงสร้างหลักๆก็จะประมาณนี้ส่วนเรื่องของ รายละเอียดในแต่ละวิชาเดี๋ยวจเจอน้ำฟังคุณครูะคะ่ะนี้จะขอแนะนำทีมคุณครูชั้นป .5 นะคะคุณครูในชั้นป .5 นี่มีมีบางทั้นสอนทั้งป .4 ด้วยป .6 ด้วยนะคะก็เริ่มไปถึงช่วงชันที่ก็มีความชำนาญเฉพาะด้านมากขึ้นเริ่มจากทีมอวิกุฟิลอยู่ับนใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะคุณครูฟิน พ, พิมพิชาเชื้อข่าพิมพขึ้นมาจากปสนะคะสามารถสอนวิชาโครงงานกับภาษาไทยถ้าเกิดว่ามีเรื่องสอบถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถพบเจอได้ที่ห้องปห้าหั้งนะคะอยู่คู่กับคุณครูข้าวตูค่ะสวัสดีค่ะเป็นครูใหม่นะคะก <laughs> ็ลงมาสอนปห้าค่ะ ชื่ อ, อครูเจี๊ยบนะคะชนทิชาพุ่งนวลค่ะเป็นครูประจำชั้นของออป .5 ทับ2ะคะสวัสดีครับครูสมพรรู้แสวงนะคบเป็นครูประจำชั้นป .5 ทับ3นะครับแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของโครงงานภาษาไทยนะครับสวัสดีนะครับลรวิทยาสังการครูใหม่เหมือนกันกับครูเจีย๊ยบ ปีนี้ตั้งใจมากอยากจะลงมาทำนาอยากมาเป็นชาวนานะครับไม่แน่ปีหน้าาจจะได้ตามกงินขึ้นไปนะครับสอนโครงงานแล้วก็ภาษาไทยนะครับป .6 ทับสี่นะครับขอบคุณครับป .5 หรอครับป .4 ครับป .5 ทับสี่สวัสดีค่ะครูวันนิติไส้สวัสดี หรือครูเข้าตูนะคะสอนวิทยาศาสตร์ป .4 และป .5 ที่ป .5 ครูเข้าตูจะสอนวิทยาศาสตร์อยู่ที่ห้อง5ทับ1นะคะแล้วก็ดูในเรื่องของหน่วยโรงงานที่5ทับ 1, 1ด้วยะคะ่ะสวัสดีค่ะครูอุ้มนะคะสุชาเชิมศิรินะคะเป็นครูวิทยาศาสตร์ป .5 ค่ะจะสอน3ห้องที่เข้าตูสอน1ห้อง<ม>ก็อยู่คู่ห้องกับครูเจี๊ยบนะคะที่ห้อง5ท2ะค่ะ สวัสดีค่ะครูนีนะคะปฏิตาเรืองทองดีค่ะสอนคณิตศาสตร์นะคะ 5-3 5-4 แล้วก็ 5-1 ค่ะแต่ว่าจะมีการลาคลอดเดี๋ยวเราเราจะมีนะคะคุณครูมาช่วยสอนแนะนำตัวเลยค่ะคุณครูโกเมทอชัยภูมิฮัมครูเตอร์ น, นะครับปีที่แล้วเนี่ยครูออน ครอ้อคลอดนะครัอสอนปออ .4 นะครปีนี้ครูนี้ไม่ยอมมาคลอดบ้างครับเลยต้องมาช่วยสอนปอ .5 นะครับก็จะช่วยสอนสองห้องหลักคือทับสามทับสี่นะครับจนกว่าครูนี้จะกลับมาแล้วก็มาสอนปกตินะครับก็เดิมที่ก็จะสอนอยู่ป .6 นะครสวัสดีค่ะครูอ้อพัชรีนะคะก็สอนคณิตป .4 แล้วป .5 ค่ะพอครูอ้ อ, อจะสอนอยู่ที่5้าทั้ง แล้วก็ถ้าช่วงที่คุณดีคีกหลักขอก็จะ5ทั1กับ5ับ2ค่ะโอ้ยโนยังมีในนักศึกษาฝึกสอนอีกคนหนึงนะคะมาจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแกนเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ใบตรีอินปซิษฐ์ก็จะมาอยู่ในทีมของคณิตศาสตร์ป .5 ด้วยนะคะจะมาเปิดเทอมไปแล้ว1สัปดาห์นะคะ Hello everybody, my name is Michelle and I've been teaching for about more than 10 years. This is my third term in this school, and I'm happy to continue to take care and nurture your children. So, I'll see them in class. ค่ะสวัสดีค่ะชื่อผูเอนะคะอุรบันค้มหลังค่ะสอนไอค่ะป .5 4ห้องสวัสดีครั บ, ออะะรบผบูเช่นนะครับดูแลในส่วนของวง AF o r Orchestra นะครับแล้วก็ชมรมเลเล่เลนะครับ สวัสดีครับครตั๋มนะครับดูแล2อวงครับวงขับร้องสมานสีงแล้วก็วงอัเอบ็อบออเิสตาในส่วนของเครื่องเป่าลมทองเหลืองครับผมสวัสดีครับคูดนะครับสอนเครื่องสายสากลครับแล้วก็ชุมกรีนะครับสวัสดีครับครูบัครับดูเครื่องสายสากลแล้วกปุกีตาร์ครับสวัสดีครับผมครเล็กครับสอนเอบ็อบนะครับเครื่องวูดวิน คารเนตแนโทฟและก็ฟูดครับสวัสดีค่ะครูเจี๊ยบนะคะยังรับผิดชอบชมรมกับร้องสมัครเสียงอยู่ค่ะสวัสดีครับครูเบ้ น, นะครับสอนดนตรีไทยนะครับประเภทขึ้นทีบีพานแล้วก็ดูวงบีพารของชมรมโขนครับสวัสดีครับครูจ่อยนะครับสอนศิลปะประเภทงานไม้ครับสวัสดีค่ะ ค, ะคะะระะคะูคคใหญ่ค่ะสมบูชนีส ว่าสีน้ำค่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่ดนตรีสากล น, นะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเราใช้เวลาค่อนข้างเยอะก็เลยอยากจะให้กัณครูเริ่มเลยเชิญเลยครสวัสดีครับในส่วนของชมรมดนตรีสากล น, นะครับของชั้นปสี่ถึง ชั้นป .6 นะครับก็ในการเลือกนะครับเ ด, เด็กก็จะได้เลือกในสิ่งที่เด็กๆชอบเหมือนเดิมนะครับก็คือในวันจันทร์กับวันพุธนะครับสครู่นะเงื่อนไขนะครับในการเลือกชมรมนะครับด้วยด้วยความที่เป็นป .5 เนี่ยผมคิดว่าเด็กๆน่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่าเด็กๆ เ, เขาจะ อยากเรียนอะไรชอบอะไรนะครับแต่ว่าเราก็จะใช้เงื่อ น, นแไขเดิมก็คือว่าเราจะให้ทดลองเรียนเนี่ยก่อน3สัปดาห์นะครับพอหลังจาก3สัปดาห์เ <c oughs> ขาสัปดาห์ที่4แล้วเนี่ยก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนชมรมนั้นๆเนี่ยครบไปเลย1ปีการศึกษานะครับเพื่อเด็กๆเขาจะได้ฝึกฝนในสิ่งที่เขาชอบให้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของวง I, อา p o ฟบอสเคสตรานะครับเราก็จะมีการเพิ่มวันฝึกซ้อม เพิ่มมาอีกหนึ่งวันนะครับก็คือในวันพุธนะครับหลังจากที่นักเรียนชโชลไมายป๊อปเนี่ยเลิกเลกเรียนจากห้องของครูประจําชั้นเนี่ยนะครับก็จะมาเจอกัน ท, ทุทุกวันพุธนะครับตั้งแต่เวลา4โมงครึง่งขอโทษครับตั้งแต่4ี่โมงถึง5้าโมงครึง่ง นอกจากมีวงไอเอฟบอเบเกนตนะครับก็จะมีวงขับร้องสมานเสียนะครับชมรมกีตาร์อูคูเลเล่นะครับให้ให้ได้เลือกกันนะครับโอเคครับคุณเล็กต่อเลยครับครับผมก็ทั้งสี่วงสามวงเนี่ยนะครับเราก็น้การอยู่ร่วมกันนะครับเพราะว่าการเรียนการสอบเป็นการชั้นพระระหวางปสห้าปหกนะครับ ก็เราก็ตั้งใจจะให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านดนตรีกันนะครับ<ม>ก็คือครูก็ให้ก็สอนก่อ น, นะครับแล้วกถ็ถ้ามีโอกาสก็คนที่เป็นเร็วก็อาจจะมาแนะนำได้เป็นแบบช่วงๆนะครับ<ม>ก็ในเรื่องทักษะนะครับก็เด็กๆ ก, ก็จะได้การฟังจังหวะปฏิบัติเครื่องดนตรี ออกเสียงร้องเพลงการอ่านโน้ตแล้วก็เรียนเครื่องหมายทางดนตรีน ก, การนะครับผม <c oughs> แล้วก็คุณค่าของเรานะครับทั้ง4ี่วงเนี่ยเราก็มีเป้าหมายว่าเราต้องมีงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้เจอกับประสบการณ์จริงนะครับอย่างเช่นคอนเสิร์ตประจำปีของเรานะครับปีหน้าเราก็ได้จองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะ <c oughs> ฉะนั้นเรามีเป้าหมายทั้งทั้งปี <c oughs> แน่นอนครับผม แล้วก็เป้าหมายย่อยในแต่ละเทอมเนี่ยเรากจ็จะพาไปช่ชวงๆอย่า ง, งเช่นรงอาเอฟบอกเนี่ยก็เราก็จะไปร่วมในงานวันไหวครู ure, อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เทอมสองเราก็จะมีกิจกรรมคอนเสิร์ตเล็กๆน้อยๆนะครับในแต่ละเทอมแล้วก็แล้วก็เทอมสามเราก็พาไปสแสดงที่สุนธรรมนะครับก็เราก็จะเอาเพลงที่ แสงคอนเสิร์ตเนี่ยมาย่อยในแต่ละเทอมนะครับจะได้ไม่กระชั้นชิดเกินไปก็เมื่อกี้เสริมกุเช่นิด น, นึง น, นะครับก็เด็กๆคงมีประสบการณ์เลือกมาแล้วจากป๔นะครับก็คิดว่าเด็กๆคงเข้าใจนะครับก็ปีนี้ก็เช่นกนันเวลาเปิดเทอมมาล้วก็ให้เลือกเรียนแต่ละวันตามที่เด็กสนใจไม่ให้ชนให้ครบทุงทางวิชานะครับภาระตรีแล้วก็ศิลปะใน3ามค่าที่ ส า, สามเวลาที่เห็นกันในแต่ละห้องนะครับครับอขอเสริมอีก น, นึงนะครับก็หลังจากนอกจากที่จะมี3 3 4ี่ชมลงของนิติสกรแล้วนะครับก็ในเทอมนี้เนี่ยผมก็ก็ได้ความเมตตานะครับจากคุณพ่อวิริศนะครับแล้วก็แม่กีนะครับเปิดเป็นชมรมส่อหมานะครับซึ่งเดี๋ยวก็ทางทางคุณครูเนี่ยจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับว่า จะเรียนวันไหนก็น่าจะเป็นอาคารแล้วก็พระหัสสูบใน3าวันนี้นะครับยังไม่แน่ใจซอมา้าคุณพ่อคุณแม่เคยเห็นเราไหมครับเป็นเป็นซอที่มาจากมองโกเลียครับพอดีขอโทษทีไม่มีเครื่องไปดูเสียงจะเหมือนม้าครับเสียงจะเหมือนมา้ายี่นี่มืนม้าเลยนะ <c oughs> ครับก็จะจ ะ, จะมาเปิดที่นี้เออก็เดี๋ยวตอนก่อนที่จะเลือกอะครับคุณพ่อก็จะคุณพ่อวินิจกับแม่กิ่งก็จะมาสาธิตให้เด็กๆดู อันนี้เป็นนอกๆเหนือจากวันจันทร์มาวันพุธนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตอนนี้ d v วดีคอนเสิร์ตออกแล้วนะครับอยูล่ล่างนะครับขอบคุณครับขอเสิร์ตดนตรีไทยต่อนะครับคุณพอคุณไม่มีคำถามมีข้อสงสัยไหมครับไม่มีนะครับขอบคุณครับ เป็นเทเชนสวยน ะ, นะครับไปไปนะไปหน้าต่อไปเลยทีนี้โคร ง, งสร้างโครงสร้างที่เราวางไว้สำหรับดนตรีไทยนะครับในเทอมหนึ่งเนี่ยเราวางแผนระยะยาวเป็นสามเทอมเลยครับในเทอมหนึ่งนะครับเราจะเราจะต้องทําแผนเพื่อให้เอื้อกับเด็กที่เขาขึ้นมาในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สีแล้วก็เปลี่ยน เป็นเครื่องยายเครื่องนะครับก็จะมีกรณีนีเน้เกิดขึ้นฉนันเพลงที่คุณครูตั้งไว้ก็ต้องเป็นเพลงที่เหมาะสมสําหรับเด็กที่เริ่มเรียนใหม่แล้วก็แล้วเด็กที่เขาอยู่อยู่แล้วล่ะเขาจะต้องทําอะไรอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นเครื่องที่ครูเองก็ต้องต้องคิดว่าเขาเด็กที่เป็นอยู่แล้วหรือว่าพอเล่นได้ก็ต้องไม่น่าเบื่อสําหรับเขานะคะะนนรับฉันในเทอมหนึ่งเน mereka, ี่ยเราก็จะอยู่กันในในเรื่องนี้ละครับ เด็กที่เล่นไม่ได้ก็จะเล่นได้ส่วนเด็กที่เล่นได้อยู่แล้วก็จะได้ทบทวนได้ฝึกซ้อมหรือว่าพัฒนาในบางเรื่องทักษะพื้นฐานที่เขาควรจะได้แล้วเขาก็ได้ได้ถูกทิ้งไปในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเปิดเทอมหนึ่งต่อให้เป็นเด็กเก่าก็เหมือนเริ่มใหม่ก็ก็เป <c oughs> <ๆ>็นเป็นเป็นปกติครับแต่ว่าก็จะใช้เวลาในการโบสตตัวเองหน่อยแค่นั้นเองนะครับ ส่วนในเทอมสองเทอมสองเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่ตอนนี้พื้นฐานของทุกคนเนี่ยก็จะเริ่มแข็งแรงแล้วก็เริ่มต่อยอดอะไรบางอย่างได้นะครับคุณครูเองก็จะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างในตัวเขาว่าคนนี้ขาดอะไรคนนี้ต้องเติมอะไรหรือว่านักเรียนกลุ่มนีใน้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในดนตรีไทยก็เริ่มเริ่มสุดในการแบบว่าทําอะไรเป็นกลุ่ ม, มครับเริ่มจากกลุ่มในกลุ่มนั้นก็จะมีทั้งคนเก่งคนเล่นไม่ได้ คนเล่นได้หรืออะไรก็ตามก็จะพยายามทํา ง, งานจะเป็นทีมทั้งครูแล้วก็เด็ก น, นะครับฉั้นในเทอมสองเนี่ยทุกคนก็พอที่จะไปไปกันไปด้วยกันได้นะครับฉันเพลงที่จะจะถูกนํามาใช้ในเทมอม2เนี่ยก็จะเป็นเป็นเพลงที่จะต้องให้มันไปเอืเอ้อแล้วก็อินอยู่กับงานออคอนเสิร์ตที่เราจะไปร่วมแสดงกันนะครับชั้นกลุ่มเด็กครูดีไทยมีโจทย์ว่า เด็กๆที่เลือกเรียนดนตรีไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมาเริ่มกับเราตั้งแต่ศูนย์นะครับเราก็จะเริ่มกันตั้งแต่ต้นเลยฉะนั้นมันก็จะมีกลุ่มเด็กที่ทักษะเป็นช่วงเริ่มต้นฉั้นเพลงที่ครูเลือกมาก็เป็นเพลงที่สามารถเอาไปใช้ในการแสดงคอนเสิร์ตได้ในศักยภาพที่เขาเล่นได้ดีไม่ใช่เพลงที่ยากเกินไปฉั้นเด็กๆจะไม่เกิดความอึดอัดหรือมีปัญหาในการในการแสดงว่าโหมันยากมันต้องซ้อม อยากแบบทุ่มทุนฝึกกำลังหรืออะไรก็ตามมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนั้เพราะว่าในสิ่งที่เขาหรือแม้แต่ถาเพลงมันไม่มีคุณครูก็จะร่วมกันช่วยกันแต่งขึ้นมาใหม่ทําขึ้นมาใหม่เพื่อให้จริงๆนะที่ผ่านมาเป็นอย่างจริงฉะนั้นแต่เพลงมันก็มันก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงๆด้วยนะครับแล้วก็ในศักยภาพในตัวโน้ตหรือในระดับโน้ตหรือใน ทักษะการบรรเลงที่มันเหมาะสมสําหรับเขาอันนี้คุณครูก็ต้องมาทำแผนาการกันต่อเมื่อเห็นหน้างานและเมื่อเห็นเด็กนะคะในเทอมสสิ่งสําคัญของเทอมสามเนี่ยก็คือว่าเราจะเอาเนื้อหาจากในตอนเทอมสองนั่นแหละนั่นหมายความว่าเทอม2เนี่ยเพลงที่เล่นหรือเพลงที่ใช้มันอาจจะเรียนกันจบในเทอมสองหรือมันอาจจะไม่จบแต่ที่ผ่านมามันไม่จบนะครับพอมันไม่จบปุ๊กเนี่ยมันก็ต้องเอามาลากยาวไปถึงเทอมส นั้นในช่วงต้นเทอมในช่วงต้นเทอม น, นักเรียนก็จะได้ทบทวนความรู้ในสิ่งที่เขาเรียนมาแล้วก็ในเทอมสาเนี่ยสิ่งที่เราให้ความสําคัญก็คือเมื่อคุณจะต้องก้าวไปจากคนที่เรียนดนตรีไปเป็นผู้สแสดงไปเป็นศิลปินหรืออะไรก็ตามคุณจะต้องวางตัวยังไงคุณจะต้องมีคุณต้องไปเจออะไรบ้างหรือว่าประสบการณ์ต่างๆหรือแม้กรทั่งพี่ๆที่เขาเคยขึ้นกันมาแล้ว น้องๆที่ยังไม่เคยขึ้นหรือคนที่เปลี่ยนเครื่องมาอะไรามมันก็จะมีการแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นในในคลาสเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนก็จะได้เตรียมตัวมากขึ้นแล้วก็มีมีในเรื่องของออประสบประสบการณ์ต่างๆความอดทนความมีวินัยในการฝึกซ้อมอย่างหนึ่งที่ดนตรีไทยจะจะเจอบ่อยๆก็คือ พอนักเรียนเขาม า, มาเริ่มเรียนกับเราตั้งแต่ตั้งแต่ศูนย์เนี่ยนะครับฉันในในช่วงเวลาที่มาเรียนในเดือนชั่วโมงในเดือนข้าวต่อสัปดาห์สองข้าวต่อสัปดาห์หรืออะไรก็ตามมันไม่ค่อยพอครับฉันสิ่งหนึ่งที่คุณรูพรยายามบอกเขาแล้วก็พยายามช่วยเหลือเขาก็คือให้เขาจัดตารางสอบของแต่ละคนเมื่อเขาได้ตารางเขาก็จะเดินเอาตารางนี้มาคุยกับครูแล้วก็หนักกันช่วงเช้า ว, ว่าช่วงเย็นบ้าง หรืออะไรก็ตามวันนี้หนูมี15นาทีนะคะวันนี้หนูมี10นาทีนะคะเอาขึ้นมาหรือมาแค่วันนี้หนูมี5นาทีก็ขึ้นมาเถอะขอให้เอาตัวเองขึ้นมาฉันเรื่องเนี้ยในตอนเทอม3เนี่ยเราจะพยายามเน้นย้ำเรื่องนี้มากๆเพราะว่าเทอม3เนี่ยเขาจะรู้ตัวแล้วครับว่าเขายังเล่นไม่ได้หรือเขาเล่นได้หรือเขายังจับหนดไม่ได้หรือเขาเจอปัญหาอะไรบางอย่างอันนี้คุณครูก็จะช่วยช่วยชี้นำแล้วก็บอกเขา ฉันในเรื่องนี้ก็อาจจะต้องต้องต้องของความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองอด้วยเพราะจริงๆแล้วการซอมดนตรีนะครับสินาทีก็ซ้อมได้หรือมีแค่5นาทีมันก็มันก็ทำได้เนี่ยเรื่องนี้คือสิ่งที่เราพยายามปลูกฝังให้เด็กแล้วก็ให้เขาเออติบโตขึ้นไปแล้วเป็นเป็นเป็นผู้ใหญ่เป็นพี่ๆปฐมไป ท, ที่ที่มีคุณภาพและมีศิยปะภาพในตัวอย่างอย่างเต็มกําลังนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่วุฒิภูมิรติไทยพยายามทำครับ สวัสดีครับขัวพูดกับหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ขอพูดเรื่องเกี่ยวกับวงดนตรีไทยนะครับคือวงดนตรีไทยของเราก็จะมีวง<ม>เดียวนะครับคือเป็นวงผีพ้าประสมเครื่องสายคือจะมีเครื่องดนตรีเยอะเท่าไหนก็แล้วแต่เลยครับแล้วแต่จํานวนตามที่เลือกสําหรับการเรียนการสอนนะครับจะสงสัยว่าวงใหญ่ๆที่จะจะเรียนจะสอนกันยังไงนะครับเราก็จะแยกตามถาน อย่างฐางนมีพานะครับก็จะมีระนาดเอกระนาดถกของมุกใหญ่ของมุกเล็กก็จะมีครูเบ้นรับผิดชอบครับแล้วก็จะมีเครื่องสายมีครูโอ๊ตครูเอกรับผิดชอบอยู่ก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่าซอจะเข่ขิมประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเอ่อแล้วก็เครื่องหนังเป็นกลองนะครับขวี่จะมีครูครูบอล น, นะครับรับผิดชอบในการสอน เสร็จแล้วเนี่ยโดยรวมเนี่ยพอแยกฐานในการเรียนจบเพลงแล้วเนี่ยช่วงสี่ถึงห้าสัปดาห์หลังเนี่ยเราก็จะมารวมวงกันมาฝึกทักษะการรวมวงนะครับเดี๋ยวจะให้ค ร, รูบอลอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหนังหน่อยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเด็กสนใจเยอะอยู่เหมือนการช่วงหลังๆนี้นะครับสวัสดีครับผมครบอลนะครับปันเทศไทยก็สําหรับเครื่องหนังเนี่ยเป็นวิชาที่ค่อนข้าง สนุกนะครับแล้วเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะชอบมากๆเลยนะครับก็จะมีเครื่องที่เราจะเปียนกันนะครับก็จะมีกองแขกด้านซ้ายมือของท่านผู้ของนะครับข้างบนสายนะครับกองแขกแล้วก็เป็นตะโพนไทยตรงกลางนะครับกองยาวนะครับลงมาทางซ้ายก็เป็นเปิงมังคอกนะครับเบิงมังค์ชนิดนี้เด็กๆก็ชอบเหมือนกัน ครับชอบมากๆเลยต่อไปเป็นโทรมนาผมไอ้โทรมนาตัวเนี้ยผมจะมองว่าเด็กคนไหนที่มีความสามารถนะครับมีมือที่ที่แข็งแรงพอที่จะมีพัฒนาการในการบันเลงได้นะก็จะเลือกเป็นลายลุกคนเพราะว่าค่อนข้างยากมิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นกองทัศนะครับก็จะเรียนคู่กันกับตะโพนตรงการ วิชานี้ก็จะเป็นผมในส่วนรับผิดชอบเองทั้งหมดนะครับเศรษฐศตรีไทยที่เราเน้นหลักๆนะครับในการเรียนการสอนในทุกๆเรียกว่าทุกๆชั้นนะครับก็คือมารา ย, ยาทนะครับการเป็นนักดนตรีที่ดีนะครับแล้วก็ความเป็นไทยนะครับอย่างเช่นคือเขานักเรียนเขาจะรู้เลยนักเรียนเก่าๆขึ้นมาเขาต้องทำอะไร 1. น่งนั่งพับเพียบ เพราะอะไรถึงต้องนั่งพักเพียบข้างบนห้องมีครูบาอาจารย์ที่ที่คุณครูทุกท่านนับถือนะครับเด็กๆ เ, เขาจะรู้ว่าเข้ามาต้องนั่งพักเพียบมาห้าวิ่งนะนะครับตรงนี้เด็กเขาก็จะได้ตรงนี้ไปแล้วก็การสวดมนต์นะครับทุกทกครั้งกอ่กอนก่อนที่จะเรียนนะครับมีการสวดมนต์นะครับแก ให้กับครูบาอาจารย์เราทุกครั้งแล้วก็ตอนจบตอนเริ่มเหมือนกันทำอย่างนี้ทุกๆครั้งแล้วก็จะเน้นย้ําเรื่องการเก็บนะครับการเก็บรักษาเครื่องดนตรีเป็นสิ่งสําคัญมากเลยบางคนเด็กบางคน ต, ต, ต, ต, ตีจนเครื่องมันเสียหายชํารุดเราก็จะบอกเขาตลอดเวลาบางคนข้ามเครื่องดนตรีไทยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันเป็นมารยาทของของนักดนตรีที่ต้องมีทุกๆคนนะครับเราก็จะเน้นเน้นย้ำเรื่องนี้นะครับ ต่อไปจะเป็นวิชาหน้าตาศิล์นะครับเดี๋ยวจะให้ครูศิ์กมาอธิบายให้ฟังสวัสดีค่ะครูศิกนะคะสศิปภารัตนราราหะคะ่ะเป็นครูสอนหน้าตศิล์ไทยนะคะอยู่ที่โรงเรียนพุ่มพื้นปณทีนี้ระดับชั้นปห้านะคะก็จะเริ่มฝึกเด็กๆ เ, เนี่ยเกี่ยวกับท่าที่เป็นท่าแม่ท่าแล้วก็ท่านหน้าแต่ยักษ์ ที่สูงขึ้นหรือว่าเป็นท่าแม่บทนะคะแล้วก็จะฝึกเรื่องของการเชื่อมท่ารําเพราะว่าการเชื่อมท่ารำเนี่ยทำให้นําไปสู่ความอ่อนช้อยสวยงามเนาะแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าก็รำได้ได้สมูทขึ้นพุณนิเงๆนะคะแล้วก็ส่วนการรวมวงก็จะเป็นเพลงเดียวกับดนตรีไทยนะคะในเทอมนี้ในเทอมที่หนึ่งเรจะเป็นเพลงเดียวกันพอเทอมที่สองเนี่ยเราก็จะเริ่มลงระบุคนแล้วว่าแต่ละคน จะไปอยู่การแสดงชุดไหนอะไรเงี้ยนะคะก็จะเริ่มซ้อมซ้อมไปในเทอมที่1เนี่ยเราจะปลูกปูกฝังพื้นฐานอย่างที่บอกก็คือว่าเราจะเอาเทอมเอาพื้นฐานของเทอมที่1เนี่ยไปใช้ในเทอมที่2และเทอมที่3าเพื่อที่เราจะเอาไปแสดงคอเสิร์ตนะคะที่สําคัญเลยในในปีนี้พี่ปหกมหไปกันหมดแล้วค่ะไม่มีไม่มีลูกศิษย์แล้วค่ะตอนนี้เราก็เลยต้องค่อย ปูฝักกันเรื่อยๆสร้างศิลปินคนใหม่ขึ้นนะคะก็จะเน้นถึงเรื่องการที่แสดงร่วมกันกับเพื่อนแล้วก็พี่ๆได้สามารถแสดงออกงานของงานโรงเรียนได้เช่นเทอมนี้ก็จะมีวันแม่นะคะก็จะพยายามผักดันแล้วก็ฝึกซ้อมเด็กๆคะ่ะนาฏศิสป์มีประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นบรรยากาศของการเรียนดนตรีน่าตาสินนะคะก็จริงๆบรรยากาศครูอเอกนะครับเพิ่งๆ บรรยากาศก็อธิบายด้วยภาพได้เราจะเห็นบรรยากาศการเรียนการสอนแต่ว่าสิ่งที่เมื่อกี้น่าจะสินฝาบไปแล้วกําลังหาตัวไต่ ต, ตัวแทนเนาะ <c oughs> พี่พี่พี่มหกจบออกไปรุ่นรุ่นต่อรุ่นเนี่ยนักนางรําของโรงเรียนนักแสดงโรงเรียนก็ลดลงไปเรื่อยเหมือนกันเรดนตรีเราก็เหมือนกันพอขึ้นมัธยมแล้วก็จะ ทางหายกันไปแล้วตอนนี้ปถมก็ค่อนข้างจะร้อยรออยากจะแบบว่าช่วยกันยุยงส่งเสริมลู ก, ลกลๆหลายๆทั้งขาดทั้งดันทั้งเข็นตอนนี้ใครขอมากเพราะว่าอยากได้นักดนตรีคือมันจะมีเดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศที่ที่เห็นในใ น, ในภาพเนี้ยก็จะเป็นภาพของการเรียนการสอนในชั้นแล้วก็เด็กที่เป็นนักดนตรีวงของโรงเรียนพวกนี้เนี่ยจะพิเศษนิดนึง คือพิเศษในที่นี้คือจะได้เวลา2เพิ่มมากขึ้นตอนเย็นจะได้จะได้เวลา2เพิ่มมากขึ้นตอนเช้าจะได้เวลาที่จะต้องตื่นเช้ากว่าปกติเพื่อ ม, มาออกมานนี่เป็นสิ่งที่พิเศษไม่มีเด็กคนอื่นได้จะเป็นเด็กดนรีวงเราได้นะครับเรต้องตื่นมาใส่บาสมาคนเครื่องตอนเจ็ดโมงอเงี้ยแต่ว่ามันมันมันสิ่งสิ่งหนึ่งคือทุกครั้งเด็กเวลามีใส่บาต บอกว่าทาไมต้องเล่นดนตรีด้วยเราก็จะบอกว่าเราเนี่ยนอกจากเราข้าวมาใส่บาตเหมือนคนอื่นทั่วไปแล้วเราได้ถวายเสียงเป็นผู้ถวบูชานะเพราะฉะนั้นอนาคตต่อไปเนี่ยตายไปยังไงหก็เป็นคนทำนแน่ได้เป็นเทวดาระดับหนึ่งแล้วนะอย่างน้อยให้ให้ให้ให้ใหใหทำจิตให้เป็นุศลเวลาที่ต้องตื่นเช้าก็ตามสไตล์เด็กก็จะโยเยบ้านที่จะแบบ ต้องรีบมาผลเคลื่อนตั้งเจ็ดโมแบ ก, กันหลังแอดเลยมาเล่นเนี่ยแต่พอได้เล่นพอเราเราปลูกฝังไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยไปมาพอพอขึ้นประตูปลายนะคราจะถามเลยว่าต้องมากี่โมงแล้วก็มาแล้วก็ไม่ต้องฝั่งไม่ต้องพูดไม่ต้องออกคือเหมือนกับมันก็นกค่อยๆซึมเข้าไปเรื่อยๆกับกับเรื่องแบบนี้แล้วก็ ก็ภาพเราจะมีเท่านี้ใช่ไหมไม่มีก็เปลี่ยนสิก็เปลี่ยนฟูซ่พูดให้เปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ที่ถึงสอนกันเมื่อคสร็แล้วอันนี้คืองที่ใหญ่ที่สุดที่เคยทำมายไม่มีวงไหนใหญ่เท่านี้สาดอันนี้ที่เรเบียรนะเราใช้ที่ที่ทั้งสวย่เป็นยิ้ส เรากำลังยืดเกลื่อนสีเหลือด้วยเพราะว่าเราเราเราให้คู้ณโต้ไปสร้างเดลือนใหม่ในเราคนหนเรากาลังจะให้คุณอใหใช้ตู้น้ใหม่เราจะยืดเลือกทกนคับรรยากาศคร่าวๆเอ่อาๆนี้ก็ต้องเจอั่นนี้ฮะจะเป็นเด็กในสกิลที่ไม่ได้สูงมากเฮลใายฝน ที่เป็นเพลงที่ไม่ได้โดดเ่นะเราก็เลือกเปลงที่ดีาแล้วก็ให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะขึ้นไแสดงเพระผมว่าเป็นจุดสูดสุดของการเป็นนักแสดงอะคือการได้เล่นให้คนดูพอคนดูเสร็จมีเสียงชื่นชมเป็นกำลังใจมีเสียงติก็กลับมาแก้ไขมันมันได้ทุกทิศทางที่จะกลับเข้ามาสู่ตัวของเขาเองฮะซื้อไหมครับ ก็หวังว่ายอดเราจะเพิ่มขึ้นในถึงแล้วเราจะได้นันกดนตรีประจาโรงเรียนอีกกลุ่มใหญ่ยยคือคาทาม้องอแม้วันอากาศตอนเอ่อตอนช่วงบ่ายนะฮะถ้าสนใจก็แวะลองแวะไปดูฮนะเราก็จะเห็นเสียงอะไรโวก ว, วเอโวยวายไม่ต้องตกใจครับนั่นคือบรรยากาศการเรียนชัโรงมัธยมีไทยโวกุอ๋นี่เสียงครูไ อ, อ้เสียงเครื่องดนตรีนะเออพอดีมองไปเห็นเรานอกจากเรามีวงเด็กแล้วเรามีวงผู้ปกครองด้วยพริเห็นไม่เจ๊ เรามีวงผู้ปกครองด้วยผู้ปกครองท่านไหนสนใจนะครับว่างก็เชิญกันแล้วเดี๋ยวเวลาเรานัด ก, กันนี้จะเป็นช่วงเชา้าซื้อนะคะขอบคุณค่ะ ี่นดีกับลรา เรียนชั hmm. ้นป .4 ป .5 แล้วก <working> so so ็ป .6 เนี่ยมาฝึกีทเบไปครับผมอนุญาตเข้าเรื่องอนนะครับเนื้อหาการเรียนทั้งหมดของเราในระดับชั้นป .5 เนี่ยนะครับก็บอกบอกให้ทราบก่อนว่าเราเรียนรวมกันนะครับระหว่างนักเรียนชั้นป .5 แล้วก็ป .6 การเรียนรวกันนี้รจะ่ให้เกิดทห่เกิดความกระพันระว่าระหว่างี่น้องได้เอ็นความแตกางความสามารถเ่ากแต่ละกลุ่มเนียมันเป็นเป้าหมายของเราที่จะทำให้เด็กได้ฝุกอยู่ร่วมกัน ถากระดับชั้นถักระดับชั้นซึ่งจะกเการ้าเรียนวันนี้พุ่มาพร้อมก่อนนะครับนี่ลูกติดครับลู้ติดกินลูกใครบ้านก่อครับนี่เราจะลงน้าครับในช่วงบ่ายนะครับวันนี้ลมเพิ่งจะมาเราก็ต้องแข่งกับเวลาอาเข้าเรื่องต่อเนื <c oughs> ้อหาการเรียนของเรานะครับเออเรามีการเป็นการสอนบทขอวิชาเป็นบังคับหนึ่วิชาก็คือวิชาไหว้น้ำนะครับป .5 จะไหว้ท่าที่เพื่อ ส่วนพละบกจะมี5วิชานะครับะจะมีลักบี้ฟุตบอลนะครับวิชาฟุตบอลแนดบอลบอลลีบอลแล้วก็บาสเกตบอลทอย่างนะครับเราจะอนุญาตให้นักเรียนของเราเนี่ยเลือกวิชาที่ตัวเองคิดว่าชอบสุดอยากจะเล่นหรือว่าอยากจะลองที่สุดนะครับภายใน2 3งสัปดาห์ถ้ า, าลองแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยกามันไม่ไม่ตรงจรินตนะครับเขาสามารถเปลี่ยนได้แต่ต้องมาดูแบบว่า ไอ้คิดว่าเปลี่ย น, เ, นยเป็นผลเปลี่ยนเพราะหีความเหนื่อยหรือเปล่าเราเราเราก็จะเอาทีานี้ว่าบางรายเราท้ายให้เปลี่ยนนะครับเพื่ออาการเรียนทั้งหมดนะครับต <c oughs> ัวกีลานเนี่ยเป็นเพียงเรื่องมือหรือไม่ได้ทั้งเรือใบที่โ่กแม่เป็นทั้งหมดเรือใบก็เหมือนกันเรือใบเป็นเพียงเป็นเพียงเรื่องมือที่ครูัะจะจับมาใช้ จะมาสร้างเงื่อนไสร้างสมการเพื่อให้นักเรียนของเราเนี่ยเติมพัฒนาการตาเรื่องหลักนะครับเรื่องแรกก็คือพัฒนาการทางการตัินใจติ๊งแรกเติเรื่องตสินใจทางการตัดสิตใจนะครับสมัรถางการัดสินใจทตัวเนี่ยหมายถึงเรื่องวินัยนะครับเติมเรื่องวินัยเติมไปทังไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มากขึ้นนะครับเวลาเรียนด้วยการเนี่ยมันมีเห็กที่ชอบสบายอยู่ในรลกไม่ชอบกแรงก็เหนื่อยก็อย่างนี้เด็กที่เอาใจใจตัวเอง เด็กที่ไม่ชอบพูดที่พูดเยอะเด็กที่ชอบเล่นแรงทั้งหมดทั้งมวลเวลามาเจอคุณครวรัสจะทําหน้าที่การต้นคูวรัสจะทําหน้าที่ควรคิดให้หาทางออกว่าเฮ้ยเราอยู่แบบสถานการณ์แบบที่เราจะอยู่แบบไหนเราจะอยู่ยังไงเราจะปรับตัวยังไงปรับใจยังไงให้เราอยู่สถานการณ์ได้จะแก้ไขปัญหายังไงก็คือเรื่องสัฒนะทางใจเรื่องที่2ก็คือเรื่องสมรรถนะทางใจครับเป็นหลักของการเรียนรูทั่วไปเลย เด็กก mm ็ต้องมีความแข็งแรงความทนทานนะครับเล่นการแตดการแจ้งได้นานมีความอดทนแบบนี้มีความหัวตัวนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในรวมอยู่ในตัวเด็คนหนึ่ซึ่งทั้งหมดทั้งหมทั้วเนี่ยมันไม่ได้ว่าเด็กเรียนีเดียวี่าเียนตรงนี้ให้เด็กเอาเมา่องมวมันไม่ได้ว่าเด็กเรียนของสี่ปีมาแีเดียวนั้วได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเอ่อ เมือทั้งหมดทั้งตัวเนี่ยมันก็เป็นการสั่สมให้เด็กเ่ยหอยอดหอยอดหอยอดสั่งยอาหขอยอดสมรรถนะเพื่อเรื่องความแข็งแรงอะไรต่างๆไปเรื่อยๆจนถึงจุดนึ่งเขาสามารถจับสิ่งต่างๆมันใช้ได้ในตัวเขาเองเนี่ยมันก็มันก็จะติดคําตอบเมื่อถเวลาตรงนั้นนะครับเรื่องสุดท้ายคือสมรรถนะด้านการด้านการนำความรู้ไปฝังใช้ที่เราเรียกว่าเอาทำศัพท์ตรงนี้คือองค์ความรู้ที่เป็นความรู้ใหม่ของเขาเอง ไม่ว่าเราจะสอนทักษะอะไรไปอย่างเช่นเรือใบเนี่ยเราสอนการเลี้ยวเรือการแหกการจ่ายกันทุกนี้นั่นทั้งหมดทั้งมวลคือความรู้ของครูเขาทําตามที่ครูบอกถ้านครูนั่งลงไปในเรือกับเขาก็คือความรู้ของครูคือครูเอ่อียกอะไรสมองตดให้กับเด็กเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เด็กลงไปในเรือเขาคนเดียวกับเรือกับน้ำแล้วเขาสามารถเลี้ยวเรือได้กับแหงเสือได้หมุนที่ทางเรือไปตามใจตัวเองได้นั่นคือความรู้ใหม่ของเขา เหมือนการกีฬาบาสเกตบอลบอบออนนกีฬาฟุตบอลอะไรก็แลสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดทั้งปวงไม่ใช่แค่แต่พักษาการการเล่นบอลแต่พื้นฐานสิ่งที่เราต้องการคือควางเข้าใจแล้วนำไปใช้ปรับแก้ไขปัญหาในเกมกีฬานั่นคือสิ่งที่เราต้องการทั้งหมที่พูดปคือภาพรวมของการเรียนาาระดับการีว่านะครับ แล้วก็อยนาเติมเรื่องคือนะเร็งเต่รีดเืารีคืออาหารเสริมคือวิตามินเสริมชั้นดีที่คุณอยากให้วนเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ได้ทดลองเราเข้าใจกันประมาณประมาณ6วันเนี่ย6วันเนี่ยมันมันลงไปด้วยสารอาหารที่มีค่าตั้งแต่เรื่องวิตามินตั้งแผลเรื่องทัวทะเลเอเรือเคือยังที่มี็นคนไกยที่ซับซ้อนมีการผูกเชือกที่ยากมากไปต้องเอื้อทุกครั้งต้องมาต่อใหม่ครัง่ตรงนี้มันเลยวยุ ความละเอียดถี่พวดที่ใสเรื่องวิทย์นใสรื่องการ่วยเหลือกันเพมาะเาทำงานเอาเงินลงมาเยวะหนาแล้วก็เกิดการแก้ปัหาการก้าวข้ามขีดจำกัดข้อถดัดของแต่ละคนตรงนี้อันนี้คือความพิเศษของเรือใบเพราะนั้นสืารให้กคิ่งแล้วก็ในีการศึกษานี้ที่จะถึงนนะครับเราน่าจะคชัดเจนว่าเราจะเปิดในช่วงปลายสิหาหาราเสองาสการาะะนั้นุกคน ที่เห็นว่านู่งหลานควรจะได้ฝึกก็ขอให้ขอให้จำจำพวกเวลาไว้แล้วก็พยายามพยายามตามขบวนการเรียนเพื่อที่จะสมัครนะครับทั้งหมดทั้งมวที่พูดตามมีประมาณนี้ผุ้ปกครองมีข้อติดการสงสัยอะไรไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะคุโม่ค่ะคุโม่คุโมจะยังไงกันครับคุโมชวสามารถชวนนักเรียนสักคนหนึ่งชั้นป .5 มาสัมภาษณ์ได้ไหมคะ สี 4, 5, 5, ่ขึ้นห้าเนี่ยวนะครับเดี๋ยวพวกคุณช่วยฟังหน่อยผมไม่ได้ยินห้าทำไมคะช่วยชวนนักเรียนสักคนหนึ่งกันค่ะว่าตอนนี้ อย uh, <ia> um, uh, ู่มาสี่วันเนี่ยคคิดว่าเขาได้อะไรมากอ๋อชวนนักเยนึงคนให้ส่งภาต่อปสี่ขึ้นห้าะคะปสขึ้น้าเดี๋ยวผม้ามานะครับใครที่ยังอยู่บนบ้างอยากเรียนมาคุยสักคนนึ่ดูดภาพประกอบเลยนะครับของอยู่ไหนใครอยู่นนี้งไหมที่อองอยู่มั้งไหมทิ้งทิ้งช้าทิ้งช้าทงีหน่อยครับ ทีนาอกนหน่อยทีน่าตาดกันหน่อยทีน่าที่าอ่อทีน่เอาเลยค่ะช่วยช่วยสัมภาษณ์ให้ด้วยค่ะอ่าที่าเล่าให้ฟังหน่อยเล่ากุิลฟังหน่อยเล่าพััว่าเรามาเล่นเรือใบเนี่ยเราได้ฝเรื่องอะไรบ้างปชนครับอันแรกป้องกนป้กันชนเกี่ยวกับการตากแดดในการเล่นเรือใบ การแต่แียมทิศองมาแล้วก็การรอลงให้ลงพัดลอให้เรือเรือใบ ไ, ได้ความรู้อะไรบ้างไหมทราบมั้ลงมาเรียนรู้กันว่าลงมาทางไหนเราจะได้ด้านเรือใบได้เรือใบได้เรือเรื่องนี้ยตรวจในใจเหรอครับเรียนรู้ การเหอการเลือกันระหว่างพี่แบบน้องครับการดูแลน้องกัรสอนร้น้องครับเออพี่ิช้าเล่นเล่นเรือคู่กับใครครับวาเล่นเรือคู่กับน้าว้าตนเล่ีเดียวิจช้าได้มาทักแรกน้ว้าก็มาทักแรกแต่จับท่าน้าว้าด้วยค่ะพี่จิช้าสดีเลยครับอ่าน้ำน้ำว้าสดีเลยครับูเอาไงต่อครับผไม่ได้ยิน สัมพาทธ์น้าว้าให้ด้วยค่ะวาเป็นยังไงบ้างน้ำว้านับว้าน้ำว้าสวัสดีนอยน้ำว้ามาเล่นเรือไปแล้วอ่นี่น่แบนี้เล่นเรืปได้ยังบังคับเรือให้ดียวซ้ายเดียวขวาได้ยังยังไม่คองน้ำว้าว่ามาเล่นเรือไปน้ำว้าเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างน้ำนกได้ฝึกอะไรบ้าง เล่นวันนี้ต่างจากวันแรกยังไงบ้างแป๊บแปหนึ่งนะครับผมก็นำมี่อีจีหลังอยู่ตัวแรก่ตรันรอยู่ตนัวอนนี้เป็นยังไงคะก็ยังตัวอยู่ใช่ไหมคะแล้วทำได้มหด้ได้ด้ย ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ไฟ้ได้ได้ได้ไฟ้ได้ไดอได้ได้ได้ได้าด้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ไ้ได้ได้ด้ได้ไ้ได้ได้ได้ได้ได้ไ้้ไดไ้ได้ได้ไได้ได้ไดได้้ได้ได้ไ้าดได้ได้ได้ได้ไดด้ได้ได้ไดคได้ด้ด้ ทุะงานีจะงำมันไม่ใช่เวลาเราเวาเราก็ไม่ใช่นั่งรอหเราไต้องเสียเวลาก็ทำให้มันถึงเวลาประมาณนี้ใช่ไหมอ้าประมาณนี้ครับผมขอบคุณม่กขอบคุณมากมูค้าผมงแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมางขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุ้มากขอบคุณมากขอบคุณมาก สพยายามเรียกลูกค้ามอบพ่อแม่จะได้เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นวิชาถัดไปศิลปะใช่ไหมคะศิลปะเชิญเลยคะ สวัสดีครับคุณทองทุกท่านครับผมรูปบุลอยนะครับเดีนี้ผมปีนี้ผมเป็นผู้ช่วยคุณจอน <c oughs> อยู่ในห้องงานไม้แล้วครับก็ช่วยดูฐานดื่มไปด้วยแล้วก็อยากจะเล่าจริงๆก็จริงพวกเราเนี่ยทั้งดนตรีสะกอนดนตรีไทยแล้วก็พละเนี่ยก็คิดเหมือนที่พีโม่พูดเมื่อกี้แล้ครับคือจริงๆมันเป็นวิช า, ส, าสุขภาพสุขภาวะกายใจใช่ไหมครับก็อาศัยดนตรีนี่แหละ อาศัยกีฬานี่แหละอาศัยศิลปะนี่แหละเข้าไปช่วยก่อบเขาเขาพัฒนาเขาฝึกฝนเขานะครับนี่ศรริลปะเขาจะละมุนละม่อมหน่อยไม่ต้องไปตากแดด <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปร้อนมากอยู่ในที่ร่มๆอยู่ในเรือนนะอยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาติหน่อยบ้างอยู่ในที่ที่เป็นบ้าน <c oughs> ที่มีอุปกรณ์มีงานศิลปะกรอบๆหุ้มๆมาอยู่แล้วก็มีวัสดุเยอะ มีฐานการงานอยู่ประมาณสักหกฐานให้เขาได้ให้มาลองเรียนก็หมายเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นงานไม้งานดินงานปัน้นงานทอ ง, งานว่าดลายไทยก็เป็นเครื่องมือเพื่อไปฝึกเขานะครับฝึกเขาแบบไม่ได้ถึกทหารไม่ได้ไม่ได้ต้องการความเข้มแข็งทางร่างกายมากแต่ต้องการความเข้มแข็งทางจิตใจที่เขาจะยังมีความทิ่สร้างสรรค์อยู่ยังสนุกอยู่ยังแก้ปัญหาเป็นยังรู้จักสังเกต รู้จักพยายามจะอดทนบนงานนั้นๆนะครับทีนี้งานนั้นๆจะฝึนอะไรบ้างก็จะให้คุณครูแต่ละงานเนี่ยเขามาอธิบายว่าเอองานไม้สมมุติงานไม้มันไปสอนอะไรลูกของคู่ของได้บ้างก็หรืเชิญคุณจอยนะครับครับสวัสดีครับผมก็จะรับผิดชอบสอนของปฐมปลายป .4 ป .5 ป .6 ก็จะเรียนรวมกันสําหรับเด็กป .5 เขาก็จะมีทักษะในการใช้เครื่องมือมาแล้ว เ, เรียนรู้อาจจะมีของขายิชาอื่นมบ้าง mm hmm. ก็จะเป็นการเข้ามาเรียนรู้ลักษณะของงานอย่างงานไม้ส่วนใหญ่จะมีผู้ชายเยอะเนาะเป็นงานที่ต้องใช้แรงพอสมควรใช้ความอดทนความพยยายามสําหรับเธอวนี้เป็นโจทย์จะทํากลอกไม้แปลงร่างสร้างสัตว์จากกล่องธรรมดาให้เป็นตัวสัตว์นะครับใช้จินตนาการแล้วก็ใช้สายตายที่ละเอียดเข้าไปเลือกไม้ ลายไม้ต่างๆหรือลักษณะของกิ่งไม้ท่อนไม้ที่จะมาต่อเติมกับปลอกให้เป็นตัวสัตว์อย่างสร้างสรรค์ฝึกอะไรนะครับก็ฝึกความแม่นยำความละเอียดในการวัดไม้ให้ได้ขนาดเลื่อยไม้ให้ตรงประกอบกล่องให้แข็งแรงแล้วก็ต่อเติมจินตนาการงานตัวนี้ก็เขาก็ตอบโต้กับงานที่ทำทำได้รู้สึกยังไงเจอข้อติดขัดเรารู้สึกยังไงและปรับแก้ยังไง ครับเขาก็จะได้มาเรียนรู้เรื่องนี้ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานครับอันรูปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ครูทักขึ้นก็ผมทำเองแล้วก็ให้เด็กเข้าดูเป็นแรงประดาลนใจครับก็ประมาณนี้ครับของ่อไปครับต่อไปงานถักทอครับใ้จริงครูพี่ออมครับพี่ออมกับรูโอ้นนะครับจะเป็นคนสอนเช่ครับ สวัสดีค่ะชื่อโครอองสุริศราบันินนะคะวันนี้เป็นผู้ช่วยคุณโอนโอนไม่อยู่ค่ะโอนปียพรไปเป็นวิทยากรข้างนอกนะคะคืนนี้งานถักทอของเด็กประถมปลายเนี่ยจะเน้นทักษะการใช้มือสองข้างความสัมพันธ์สองข้างนะคะในการถักนะคะเป็นพื้นฐานในการถักโคเชนะคะแล้วกเ็เริ่มจากการการค้นหาวัสดุที่ใช้ในการถักเราจะไม่ยังไม่เริ่มที่ วัสดุที่เป็นชิ้นเล็กแต่ว่าจะใช้วัสดุที่เป็นชิ้นใหญ่เส้นได้เส้นได้ดที่เป็นขนาดใหญ่หรือว่าวัสดุอื่นๆวัสดุรีไซคเคิลเศษผ้านะคะทั้งหลายที่น่าจะเอามาใช้ม า, มาเป็นเส้นได้สําหรับการถักนะคะตอนแรกเน้นการมัดก่อนถ่ะการถักการมัดโดยใช้มือหลังจากนั้นก็จะฝึกทําเครื่องมือในการถัก ทำเข็มโคเชเองถักเองอย่างนี้นะคะซึ่งจะเน้นที่ขนาดใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็เริ่มเข้าสู่แพทเทิร์นวิธีการใช้สองข้างคืองานวาดหรืองานอื่นๆเนี่ยอาจจะใช้ด้านเดียวที่เราถนาดัดแต่ว่าพวกงานถักงานทอเ น, นี่ยมันจะเป็นการฝึกสมดุลสองข้านซ้ายขวาฝึกสมองสองข้างซ้ายขวาให้ทํางานสัมพันธ์กันนะคะอันนี้ก็จะมีแพทเทิร์นมีวิธีการทํางานวิธีการมัดกันถักที่เป็นพื้นฐานแล้วก็การ ควคิดนั่งสร้างสารรค์ในการเลือกใช้วัสดุแล้วก็มีจินตนาการในการเลือกใช้สีวัสดุออกมาเป็นรูปร่างเป็นการใช้สีการทำรูปล่างทั้งอิสระแล้วก็รูปร่างตาม pattern, แพทเทิร์นนะคะขนาดผลงานหรือว่าการทํางานของเด็กเนี่ยมีทั้งงานที่เป็นงานเดียวแล้วก็งานกลุ่มเอามาสร้างสารรค์ร่วมกันสร้างเรื่องราวสร้างจินตนาการสร้างประสบการณ์ร่วมกันในการทํางานทองค่ะในการทํางานถักกัน ต่อไปเป็นงานว่านะคะแลในประถมต้นเนี่ยใช้สีธรรมชาติกันมาเยอะแล้วนะคะพอมาเป็นถงปถมปลายเนี่ยเราจะให้เด็กทดลองว่าด้วยสีน้ำนะคะ่ะเพราะว่าสีน้ําเป็นสีที่มีลักษณะพิเศษ ค, คือมีความใสโปร่งเบานะคะในลําดับต้นเนี่ยเด็กๆจะต้องฝึกระบายสีตามเทคนิคพื้นฐานของการระบายสีน้ําเชี่นระบายเก็บบนเปียบเปียบบนแห้งแล้วก็ระบายการระบายให้มันไหลซึมเข้าหากัน ก็ดูธรรมชาติของมันว่าสีแต่ละสีเนี่ยมีคมุณสมบัติประมาณไหนพอเด็กๆทํางานระบายสีเริ่มเริ่มคล่องแล้วเนี่ยขั้นต่อไปครูก็จะให้เด็กๆลองระบายเป็นผ้าแต่ว่ายังไม่ได้วาดให้เป็นภาพนะคะการระบายเป็นผ้าพน่าจะมีมีความสนุกมากเพรเด็กๆต้องคอยสังเกตว่าจะระบายแค่ไหนใช้น้ําแค่ไหนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันมันไม่สามารถกักเกณฑ์ให้เป็นผ้าตดังใจเราได้นั้งแต่ ตอนท้ายชั่วโมงนะาาเนี่ยครูจะพาเด็กๆคุยว่าเขาเห็นเป็นภาพอะไรแล้วก็เขาได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีการตั้งชื่อภาพกันในช่วงต้นจะเป็นช่วงครึ่งเทอมแรกจะเป็นการระบายสีประมาณแบบนี้ค่ะพอช่วงครึ่งเทอมหลังเนะี่ยครูจะตั้งหมุนตั้งหมุนที่เป็นผักผลไม้แล้วก็จะเป็นคู่สีที่ไล่โทนใกล้เคียงกันเช่นสีเหลืองสีส้มพวกอัลมอนด์ฟลีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดูค่อยๆให้เด็กๆ เ, เติมน้ําหนัก เวลาเวลาล่างผ้าก็ค่อยๆล่างให้ได้ให้ได้โครงสร้างที่ขายของจริงมากที่สุดแล้วก็ค่อยๆสังเกตในการลงน้ําหนักค่ะในชีน้ำจะเป็นประมาณนี้ค่ะในเทิร์นแรกครับไรไทยครับนี่ไรไทยก็เป็นครูผู้ช่วยให้ครูชาวค่ะครูชาวเปกับครูอ้นค่ะไปเป็นวิทยากรให้สถาบัน ลายไทยเทอมนีเ้เรียนลอกลายปลูกลายโดยลายเนี่ยเรียนลายพื้นฐานเนี่ยเหมือนเดิมนะคะคุณสมบัติหรือว่าคุณค่าของลายไทยก็คือว่าเป็นการแปลง เ, เป็นการตัดทอนดีกว่าค่ะสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ใบไม้ดอกไม้ต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัดทอนลักษณะสำคัญ โดยใช้เส้นเนี่ยเป็นสื่อในการสื่อความหมาย เ, เส้นนั้นจะต้องมีความละเอียดอ่อนช้อยมีความประณีตในการทํางานนะคะแล้วก็พอเราได้เส้นเหล่านี้มาแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเอามาระบายสีนะคะมาทำํำมาเรียนรู้เรื่องสีสําหรับงานศิละปะไทยซึ่งอันนี้จะเพิ่มเติมขึ้นมานะคะสีสําหรับการทํางานศิละปะไทยในเทอมนี้เนี่ยจะเป็นสีธรรมชาติทั้งหมดนะคะเช่น สีเหลืองจากยางรงสีดินต่างๆนะคะสีครามจากเม็ดครามสีสีแดงจากชาตสีดําจากขมเหลาต้องคิดค้นหายไปสีขาวจากเปลือกหอยอย่างเงี้ยนะคะต้องมาเรียนรู้กระบวนการวิธีการที่ให้ได้มาซึ่งสีธรรมชาติแล้วก็วิชีวิธีการที่จะนํามาใช้เพื่อใช้ในการวาดภาพนะคะในเทอมนี้ดูตัวอย่างผลงานของ ศิลปะที่เป็นงานลายไทยลอดลายปูนลายแล้วต้องมีการลงสีซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีธรรมชาติอย่างที่เล่าเนี้ยค่ะโดยโดยที่สิ่งที่เด็กๆวาดก็จะเป็นสิ่งที่มีพื้นฐานให้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นศาสตร์หิมพานพันุพืกษาลวดลายลายไทยลายพื้นฐานแล้วก็เขาจะได้มีโอกาสเลือกสิ่งที่เขาสนใจแล้วทดลองตัดทอนท่ามที่เขาสนใจมาเป็นเส้นหรือว่าเป็นลักษณะที่เป็นลวดลายแบบลายไทย แล้วก็นำมาระบายสีตัวอย่างอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของเด็กป .4 นะคะของปีที่แล้วแต่ว่าภาพอีกภาพหนึ่งค่ะคลอยอันนี้เป็นตัวอย่างของคุณครูที่ทำเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กแล้วก็มีตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างของพี่มัธยมนะคะม .4 ม .5 ซึ่งทั้งหมดทำด้วยสีธรรมชาติค่ะงานลายไทยก็จะฝึกเรืองความละเอียดประณีต แบบแผนการทํางานเป็นขั้นตอนนะคะแล้วก็จะได้เขาจะได้ฝึกเรื่องสมาธิความใส่ใจในการทํางา น, นะคะ่ะครับเอาไปงานประดิษฐ์นะครับคุณตองคนระับคูณตองก็ไปอบรมครับจริงไปสอนพระกันนะครูครไปสอนพระจะเล่นสอนอลไรไปอบรมพระนะครับวันนี้ไม่ได้มาไม่รู้ยังไงดีนะ ไปแล้วนะวันนี้อยู่ลรลบบุอีกกันนะไปกันหมดเลยท่านนี้ก็นี่งานประดิษฐ์ท่านี้ตองเขาจะตอนเขาจะพาเด็กคือตอนเขาเป็นคนนะสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วเขาก็เป็นนักออกแบบแลก็คิดว่าไอออกแบบมันน่าจะใช้ของผู้นี้ได้มันเป็นทุนของเขาก็ เ, าเลยเอาความที่เขาถนัดเนี่ยมาพาเด็กทำอันนี้ก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ทําเรื่องทํานี่ประดิษฐ์ไปแล้วี่เห็นว่าจะทํากระดาษนะครับ เอาเศษกระดาษที่ที่มีอยู่เนี่ยครับป็นกระดาษเหลือใช้ไม่ว่าจะที่สถานีหรือที่ห้องเรียนหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะสะสมกระดาษเหลือใช้กันแล้วก็แทนที่จะไปขายอย่างเดียวก็เอามาทำอะไรนสักหน่อยนะเ่าจะพาเด็กทำกระดาษครับมาฉีกมาร่อนมาผสมผสมสีผสมใยทำเป็นแบร น, น, นด์ก่อนนะฮะนี่อันนี้ช่วงปัน่นปั่นกระดาษหมักกระดาษกรองกระดาษแล้วก็ร่อนตะแกรง ทดลองทําเป็นกระดาษใช้เองนะครับเสร็จแลว้วก็เอามาเย็บเป็นเล่มแล้วก็อาจจะเขียนบันทึกหรือว่ารูปแล้วก็ไปถึงขายเลยนะก็ฝันว่าน่าจะทําไป็จดถึงขายนะฮะ <c oughs> อยากจะมีผลิตภัณฑ์ที่ <c oughs> เรือนที่เป็นสมุดประมาณนี้นะฮะซึ่งเป็นกระดาษที่ดิทําเองอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ที่ตั้งใจไว้จริงคุณค่ามันก็คือใช้ของให้คุ้มๆนะฮะแล้วก็ใช้แล้วก็ไม่ทิ้งมันแล้วก็รู้จัก เอามาใช้ทําเป็นยังส ja ืบคิดกันมาซะหน่อยสร้างสรรค์ได้เลยเด็กก็จะได้ฝึกเรื่องพวกนี้นะครับผ่านกระบวนการการทำถั่วดาในเทอมนี้ของคุณตองครับครับขอบคุณครับต่อไปก็งานปั้นครับมาผมพูดให้ครับสวัสดีครับอ๋อคุณโตอยู่ด้วยที่ม่เห็นมาเลยมาคุโตนะครับชาชวัฒนาคลุ่มนะครับคือเนื่องจากสตูดิโอมันใหญ่ขึ้น ผมก็เลยต้องการผู้ช่วยเยอะเลยก็เลยชวนเด็กๆมาเป็นผู้ช่วยในการเป็นเจ้าของสตูดิโอร่วม ก, กันทีนี้ผมเปลี่ยนวิธีสอนนิดนึงเดิมทีเนี่ยผมจะให้เฉพาะเด็กป .6 กระโดดขึ้นแป้นแล้วก็เล่นกับแป้งไปนี่ผมเปลี่ยนใหม่ป .4 ป .5 ป .6 ช่วยกันทำเลยช่วยกันเล่นหาดินนะฮะหาดิน ลองไปหาดินในโรงเรียนรอบๆดูแล้วก็ลองมาขึ้นรูปดูซิว่ามันได้ไหมถ้าไม่ได้มันมีข้อติ่งขัดอะไรจะชวนเขาดูแล้วก็หาวิธีผสมวิธีทำวิธีนวดปรับสภาพเนดินให้พอดีกับการขึ้นรูปอย่างสร้างสรรค์พวกนี้ฮะแล้วก็ค่อยพาเขาทำกระบวนการนี้ไปโดยเราไม่ได้เน้นว่าเออจะต้องได้ภาชนะจะต้องได้รูปสัง่งหรือจะต้องได้รูปเลย แต่เราเน้นที่ความสุขของผู้เรียนจริงๆนะครับเพราะว่าหนึ่งคือที่แกลเลอรี่ไม้ไผ่นเนี่ยมันมีวิวที่สวยอยู่แล้วเพราะนั้นเด็กๆ เ, เขาก็จะสามารถได้พลายอารมณ์จากการเรียนวิชาการได้บ้างพอสมควรแล้วก็สนุกเต็มที่กับการทำงานศิลปะตรงนี้คือจุดประสงค์ที่ผมอยากเน้นให้เขาทางานเสร็จแล้วทุกท้ายชั่วโมงเนี่ยจะชวนเขาคุยความรู้สึกในการ ่าการตั้งชื่อบ้างถามเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เขารู้สึกในวันนี้บ้างว่าเขารู้สึกอย่างไรกับงานที่เขาทำชอบไม่ชอบโดยใช้ทจกากัดความสั้นๆให้เขาเขียนระบุหรือว่าพูดระบุแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนี่คือสิ่งที่ตั้งใจจะทำในเทอมที่หนึ่งครับขอบคุณครับครับของศิลปะก็โดยประมาณนะครับประมาณนี้แล้วก็ก็จะเห็นว่าเด็กๆเขา ไม่ว่าจะงานอะไรก็คือต้องทำเองนะต้องลงมือทำเองแล้วก็ทำมาจนถึงความสาเร็จเป็นขั้นๆไปแม้ว่าเขาจะเรียนระชั้นนะครับมีป .4 ป .5 ป .6 ครูเองก็จะมีสายตาหนึ่งนะครับที่ที่จะเพิ่มเขาเรียกอะไรเพิ่มเลเวลให้เขาเพราะว่าเด็กๆเรียนรู้ไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ครับในฐานไม้เนี่ยมีป .4 ป .5 ก็มีป .6 บางที 3, ก็ต้องเพิ่มเครื่องมือให้มันท้าทายขึ้นเพิ่ม ขนาดงานให้มันมากขึ้นหรืออะไรกันแล้วแต่แต่ทั้งหมดก็คือให้เขาได้ไปลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งใช้ครับคิดสร้างสรรค์ใช้ทักษะแล้วก็พัฒนาคุณภาพภายในเขาโดยประมาณประมาณนี้ครับของศิลปะครับผู้กองมีคำถามนะครับแสดงว่าผมพรีเซนต์กันได้อยม่กเข้าใจแจ้งแจ้งขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ ส่วนเรื่องการเลือกก็เหมือนกันแหละครับให้ลองดูสัก2อสาครั้งแล้วถ้าไม่เข้าใจหรือไม่ถูกใจหรือยังไม่ถนัด ก, ก็ขยับได้เแล้วในศิลปะเองมันก็ยังพอขยับได้ถ้าเกิดเรียนไปเกินสามอาทิตย์แล้วไม่เกิดปัญหาขึ้นมาในศิลปะมีทั้งอบงานเราก็ขยับกันภายในได้ก็ไม่ต้องกังวลว่ารูกจะถูกใจอะไรนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุคณคณรูบัวลยนะครับ ลำดับต่อไปก็จะเป็นส่วนของอวิชาหลักนะครับแต่ก่อนที่จะลงลงไปว่าเราจะเรียนอะไรกันนะครับ <l ux> ครูสมคทรอยากให้ผู้ปกครองได้ดูผลงานที่ผ่านมานะครับที่ฝ่ายสรราื่อสารของโรงเรียนลุงอรุณได้ทําเป็นสารคดีเกี่ยวกับการทํานาของป .5 ในปีที่แล้วมาเปิดให้ให้ได้เห็นภาพแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งนะครับเ <l ux> ชิญครับ เรื่องของสัตว์ต่างๆแมลงต่างๆที่อยู่ในานาว่ า, ามันมีสัตว์ตัวที่ตัวไหนบ้างที่เป็นประโยชน์กับนาข้าวแล้วสัตว์ที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์เนี่ยชาวนาจัด ก, การกับสั ต, ตว์พวกนี้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งการทำนาแบบปัจจุบเนี่ยลุง ก, ก็จะใช้ก็คือให้ระบบนิเวศเนี่ยเพื่อกูนกันเมื่อกลับมาที่ที่นาที่โรงเรียนเด็กๆก็จะได้มาวางแผนกล้งกันามาทําปรฏิบัติงานาของตนเองจากความรู้ที่รู้ ให้มาครับเสร็จแล้วเด็กๆก็จะนําความรู้เรื่องต่างๆนั้นค่อยๆมาประยุกต์ใช้อย่าหลนะครับโอเคอย่าหลนะครับโอเคอย่าหลนะขั้นตอนที่ยากที่สุดของเด็กก็คือขั้นตอนของการปูดดินเพราะมันใช้เวลาหนามากแล้วใช้กําลังอย่างมหาศาลสําหรับเด็กนะครับการปูดของเขาคือการแทนการถ่ายเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ปูดทักปูดไปลึกพอ ดินมันก็ไม่มีความรวนสวูงไม่มีความโกรอากาศก็ไม่เข้าหญ้ า, าก็ไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นตอ น, ตอนอยิ่ปวดปัจุัความยากลำบากที่ต้องเผชิญเหลือก็ไหลมือก็มือก็คลองนะครับหรือก็หน้านขึ้นมนาะนี่คือแล้วเด็กๆก็บางคนอาจจะเกิดความขอแทนนะครับว่าทําไมมนต้องทอําในเรือนี้แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้หรือว่าขอแท ซึ่งตรงนี้ถ้าเขาฝาา่าฟันอุปสรรคแล้วเขาค้นพบว่าเขาก็สามารถที่จะทําเรื่องยากๆในชีวิตของเขาได้พอเมื่อเขาโตขึ้นหรือเขาไปเผชิญกับปัญหาหรือว่าประสบการณ์อะไรก็ตามแต่ที่มันจะต้องฝ่าฟันมันจะต้องใช้ความเพียรพยายามเขาก็จะใช้ทักษะตัวเองในการที่จะมองปัญห า, าต่างๆว่าทุกอย่างมันสามารถที่จะทำได้ถ้าเรามีความตั้งใจมีความพยายามและก็อดทนที่จะทํำมันอย่างเต็มที่สนุกครับผม ก็ได้ขุดแปลมาห้าต่อสาวก็เหน่อยเกิดปัญหาก็คือในนาเ น, นี้ยจะพบเจอพวกอันแดงแล้วดินดินมันจะแห้งเพราะฉะนั้นมันเหยียบไปปุ๊มันก็จะเจ็บขาขุดก็ยากดินมันจะจนจติดเต็มจอส่วนแปงนี้เนี่ยน้ํามันจะเยอะเพราะฉะนั้นเวลาขุดลงไปเนี่ยน้ํามันจะกระเด็นก็เลยทําให้เกิดกระสับมาตั้งแ่าครังแรกก็ไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้ ทั้งทั้งที่ว่าปกติแล้วชาวนาะก็คือทํากันแค่คนหรือสองคนแต่ว่าถือว่าจะทํากันทั้งหมดทั้งห้อง25คนรวมครูด้วยค่ะมันก็ยากมากจอบมันก็หนักและดินก็จะติดจอบพอดินติดจอบปุ๊บเวียงจอบขึ้นมาจอบก็จะหนักขึ้นแล้วก็มันยากมากไม่เหมือนที่คิดไว้ว่ามันจะนง่ายๆค่ะแค่ปั้นจอบฟาดฟาไปเปล่ า, า, า, า, า, ามันก็ได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ค่ะเราอยากให้ข้าวโตโสมบูรณ์นะคะในสิ่ง ได่อของคนไทยแล้วเขาได้ลงมือทํางานเตรียนโดยลงมือทำงานสมมติว่าเขากคือํางานตัวน้อยคนที่เขาเด้ลกมือเขาก็จะได้สัมผัสถึงความยากลำบากของของชาวนานซึ่งกว่าจะได้เวลาที่ทำงานเขาจะได้เขามันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ทังความอดทนความเหน็ดเนืแล้วก็การรอเวลาที่จะให้ข่าเวาเกิโดยใช้เวลาเป็นปซึ่ง ถ้าเด็กเขาเรียนและเขาลงมือปฏิบัติเขาก็จะเห็นว่าความลับากความอดทนเนี่ยคือมันคือน้สมบัตที่สาคัญที่เช้านะับผู้คนแล้วเวลาที่ทำจริงๆลงกือปฏิบั น, นิเขาจะเห็นความกรัเนี้ในใจเวลาที่จะทำเขาเป็นเลิดเลอถึงสิ่งต่งานาที่ที่เขาที่เขาได้ได้ลองไปสัมผัสเช่นเลือดดิน ไม่ถึงน้ำไม่ถึงสิ่งในชีวิตต่างๆัต้องเวียนเข้ามาในในระบบการทำงานนะครับคือเวล า, า, เาเขาเรียนเคีเขาจะพูดถึงตลอดว่าการเกิดข้าวยังไง แล้วนี่นั่นเขาก็จะมีความรูแล้วก็ต่อยอดในการพูดคุยกับเราไนดะ้ด้วยค่ะจริงๆแล้วเราอยู่ประเทศเนอะไม่เคยทําก็คือเราไดเรียนรไปกับลูกด้วยแล้วก็มันก็เกิดความสนุกแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้ของลูกเนี่ยเขาทํามาทั้งเธอเขาโคงเรียนรู้มากกว่าแม่แค่วันเดียววันนี้นะคะกว่าจะได้ข้าวมาสเป็นมันย่าก็ดีใจพี่เด็กๆได้ลงมาที่ เกี่ยวข้องกับอะไรได้บ้างตัวนานี่ก็ันจะเป็นตัวสอนและตัวคําต่อมั็จะทําให้เราเห็นเราเห็นใจเราชัดขึ้นและเอียดขึ้นในการมองมุมมองที่ละเอียดขึ้นเราก็ย่อมเห็นย่อมเห็นคุณค่าคุณค่าที่เกิดจากสิ่งที่เราทำํำได้ชัดเจนมากขึ้น หมคะเดี๋ยวเราบวกให้ห้าคะแนนนะคะบอกชื่อมาเราจะบวกให้คะแนนค่ะอ่นึ่งคะคิดไหคะมนได้สองเค่ะี่ยวไม่คเพราะบอกบวกห้าคะแนนก็ลมีข้าวอยของกะหรีย เป็นคือเลมนมค่ะเป็นของทางใต้เหมือนกันสามสายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์แต่วันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีมากกว่าสามสายพันธุ์นะคะมาให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ลองชิม น, นะคะทีนี้กล่องชิม น, นะคะทักษะแลกมาแล้วค่ะสังเกตะนะคะลองดูว่ารูปลักษณ์ภายนอกของข้าวที่พ่อคุณแม่อยู่ตรงหน้านี้ มันมีความเหมือนหรือต่างกันางไรนะคะตักไว้หนึ่งนะคะแต่ยังไม่ให้ชิมนะคะต้องสังเกตก่อนทานต้องมองก่อนนะคะอย่าลืมนะคะบวกห้าคะแนนดูลักษณะนะคะ <c oughs> ท, ที่อยู่ในมือของคุณพ่อคุณแม่นะคะ <c oughs> ว่าสีเป็นอย่างไรสีรูปร่านะคะ เป็นอย่างไรขนาดเป็นอย่างไรไปรบกวนคุณพ่อคุณแม่จับเบอร์ที่ตัวเองต่างไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีเฉลยรางวัลเดี๋ยวให้เด็กไปรับที่ห้องเรียนนะคะสังเกตนะคะมอง สังเกตด้วยตานะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องดมกลิ่นด้วยแต่ยังยังไม่ให้ทานนะคะถึงแม้จะอยากทานนะคะคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ให้ชิมนะคะเดี๋ยวเราจะสังเกตกเหมือนหรือต่างจากที่บ้านเรานะเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะคะว่ารูปร่างลักษณะของข้าวที่คุณพ่อคุณแม่ตัดไว้เนี่ยเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างครับกลิ่นหอมหอมแบบไหนคุณพ่อพอจะระบุได้ไหมคะหอมเหมือนอะไร ไม่ เ, เป็นไรนะ ค, ะค่ะหอมเหมือนมะลินะคะสีเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่สีม่วงเข้มสีม่วงเข้มนะค ะ, ะสีมาแล้วนะคะรูปร่างเป็นยังไงบ้างคะคุณคุณแม่เรียวยาวค่ะ มีไทยตักข้าวที่มีรูปร่างอ้วนป้อมไปบ้างมีไหมคะมีสีตามีรูปร่างต่างเรินมีมากกว่าหอมไหมคะอันนี้สีอะไรคะอันนี้สีอะไรคะอันนี้สอะไ เมีเม็ดอ้วนนะคะอ้วนไม่ได้ตัวอ้วนนะคะอยากทานหคะอยังคะคุณเจียบจะให้ทานหรือยังคะเมวเราเห็นแล้ชิมเลยค่ะครูกระตูพักตอนนี้เริ่มชิมนะคะแต่อย่ารีบกืนนะคะเราจะจับเวลาหนึ่งนาทีนะคะ ชิมเข้าไปแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวเคี้ยวบ้างคะ่ะลองดูดูดูนะคะลิ้มรสชาติดูว่าเป็นยังไงนะคะอย่าเพิ่งรีดเพราะว่าโดยหลักวิทยาศาสตร์แล้วนะคะการค่อยๆเคี้ยวกระเพาะจะส่งสัญญาณไปที่สมองว่าเราอิ่มแล้วมันเป็นการไดเอทไปในตัวนะคะมันต้องใช้เวลาเพราะถ้าคุณพ่อคุณแม่เคี้ยวเร็วกระเพาะก็จะมีส่วนเกินอยู่เยอะนะคะนีเป็นเกร็ดวิทยาศาสตร์ ลองดูนะคะพอค่อยๆเริ่มเริ่มเคี้ยวในปากเรารับรู้รสชาติอย่างไรบ้างใครอยากจะตอบครุงเขาตรงไหนหวานนะคะพอเคี้ยวไปเรื่อยก่อนกลืนความหวานช่วงแรกกับช่วงต้นต่ากกันไหมคะ ช่งปลายก่อนเกินค่ะต่างกันไหมคะเ ร, มเริ่มสับสนล้ต่างไหมคะมีใครรับรู้ว่าว่าต่างอ่าแสดงว่ามีหวานแล้วแต่อาจจะยังไม่เห็นความต่างกันงั้นถามต่อบทำไมถึงหวานนะคะทำไมาถึงหวานเอผ่านปอห้ากันมาทุกคนใช่ไหมคะทำไมถึงหวานคะที่เลยคนหุ่นดี มันจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลคุ้คุ้นคมันจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลแสดงว่าในข้าวเรามีน่าจะมีสารางตัวใช่ไหมคะมมที่เปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลใครจําได้คะว่าเป็นอะไรอ่ะคุณแม่คาววร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนะคะก็คือเป็นพวกแปงที่จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลนั้นโดยตัวประโยชน์ของข้าวหลักๆเขาก็คือให้คาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะแล้ว ทำไมในปากเราเนี่ยจึงจึงรับรู้รสหวานพวกคําถามเหล่าเนี้ค่ะเด็กๆ ก, ก็จะไปไปเรียนผ่านตัวโครงงานของเราด้วยนะคะในในตัวของความรู้วิทยาศาสตร์ก็จะมีส่วนที่เข้าไปพิสูจน์ด้วยนะคะนอกจากนั้นนอกจากเขามีความหวานและได้น้าตาลมีแป้งแบบที่คุณพ่อคุณแม่ว่านะคะในข้าเรามีสารอะอื่นอีกมีใครทราบครับวสารอะไรอีกบ้าง มีประโยชน์อ้ามีวิตามินอย่างเช่นข้าววันนี้ที่เมื่อกี้มีคุณพแม่บอกว่ามีสีแดงมีสีดำข้าวเหล่านั้นเดี๋ยวทานไปอาจจะรู้สึกว่าหน้าเปล่งปลังเพราะว่าโดยโดยหลักข้อมูลนะคะมีสารอะไรอยู่เยอะคะ่ะไครซ้าสีสีคล้ำเลยสีดำสีแดง อ่าคุณแม่บวกห้างแม่นะคะมีสารต้าอนอนุมูลอิสระอยู่เยอะมากนะคะเยอะพอๆกับถ้าถ้าข้อมูลที่ครูข้าเคยอ่านนะคะในเหตุเขาบอกว่าจะมีเยอะตัวข้าวไรซ์เบอร์รี่วันนี้ค่ะก็มีมีสูรสีกันเลยค่ะสู้กันได้นะคะเพราะข้าวนอกจากประโยชน์ของเขานอกจากแป้ง แล้วให้แป้งมาแล้วก็ยังมีวิตามินนะคะมีสารมีประโยชน์อื่นๆเยอะเลยซึ่งเด็กๆ ก, ก็จะได้เรียนผ่านกระบวนการแบบที่คุณพ่อคุณแม่ผ่านวันนี้ค่ะคําถามที่สูดอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็พอเ้าชิมแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของข้าวนะคะว่าทําไมข้าวพืชที่ ม, นนมีอายุเนี่ยร่วมร่วมเป็นหมื่นปีเนี่ยปั่น ก็ยังเป็นอาหารที่คนยังนิยมทานอยู่นะคะคราวนี้ข้าวาไม่เท่านั้นนะคะข้าวที่คุณพ่อคุณแม่ได้ชิมไปนะคะนีคุณครูนำมาเป็นแค่น้ำจิ้มแต่จริงแล้วสิ่งที่ติกๆเขาจะได้ชิมมีมากกว่านี้นะคะคุณครูนำมาให้ชิมปมันนั้มีทั้งหมด9สายพันธุ์นะคะก็จะเป็นข้าวสุรินทร์เชียงรายนะคะยะโสธร เหลืองปะทิวเสาให้นะคะหอมมะลิแตงแล้วก็ไรซเบอร์รีนะคะคราวนี้นะคะพอเขาพี่ครูคเปิดประสบการณ์ในเรื่องขอ ง, ของเกี่ยวกับข้าวไปแล้วนะคะให้เขาได้สัมผัสหยิบจับตรงกลิ่นชิมนะคะเขาก็จะได้รู้จักนะคะเกี่ยวกับข้าวเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมและนะเริ่มอยาก ที่จะไปทํางาปลูกพันนะคะแต่คนนี้จะเห็นว่าตอนที่คุณครูคให้คุณพ่อคุณแม่ชิมเนี่ยครูคจะถามว่ารูปร่างเป็นอย่างไรกรีนเป็นอย่างไรรสเป็นอย่างไรจะเห็นว่าภาษา เ, เริ่มมาแล้วนะคะคนนี้ภาษาที่มาเนี่ยก็จะมาแบบหลากหลายก็จะทั้งเป็นที่คําเดียวคําคู่คำซ้อนนะคะซึ่ง จะไม่ได้มีแค่เรื่องของอคุยกับหรือว่าวิทยาศาสตร์ที่เขาได้เรียนรู้จากข้าวนะคะไม่ได้มีแค่ประวัติศาสตร์แต่จะมีเรื่องของภาษาเข้ามาด้วยนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ภาษาผ่านจากข้าวนะคะเป็นทั้งคำํำทบทวนนะคะคำเดียวคําสัองคำซ้อนด้วยไปจนถึงคําสํานวนสุภาษต ท, ที่เกี่ยวกับข้าวและปงตองสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์บ้านเรือน อย่างเช่นข้าวเหลือเกินอิ่มหมายถึงอะไรก็หมายถึงความบุญสมบูรณ์แล้วสิ่งที่ตรงข้ามกับข้าวเหลือเกินอิ่มปะก็คือข้าวยากหมักแผ่นนะคะพอให้ก็เห็นว่าเฮ้ยข้างเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่ใหญ่ของคนไทยนะคะคราวนี้ไหนก็พูดเรื่องภาษาแล้วเดี๋ยวคุณครูก็พูดเรื่องภาษากับเข้าวไปเลยนะคะเดี๋ยวคุณสมพรนะค่อยมา โดยสรุปอีกทีหนึ่งนะคะก็ะครนี้ไม่แต่เรื่องของคำนะคะเด็กๆเนี่ยก็จะได้เรียนเกี่ยวกับตำนานที่สัมพันธ์กับการานำรูป้าก็คือตำนานของพระแม่โพศกพระแม่โธรณีโดยที่เขาจะได้อ่านทั้งที่เป็นร้อยพรองแล้วก็ร้อยแก้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแท่ของไทยเท่านั้นก็จะเป็นนานาชาติให้เขาได้มา วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนความต่างนะคะตัวละครเป็นอย่างไรวิเคราะห์วิเคราะห์ เ, ะเห็นการแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะซึ่งต่งางๆที่เขาได้เรียนรู้ไปนะคะติ๊กก็จะมีการาฝึกทักษะในเรื่องของการอ่านการฟังการพูดแล้วก็การเขียนที่ เพิ่มขึ้นจากของป .4 นะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ในการนำเสนอนะคะเป็นชิ้นงานที่มีความแตกตา่างหลากหลายการเช่นการเขียบนบทได้การแต่งกล อ, อแต่งกลอนนะคะซึ่งเทอมนี้เนี่ยป .5 ก็จะเป็นกาบยานิเซนะคะแล้วก็เป็นการแต่งนิทานแล้วก็จะนำนิทานที่เขาแต่งนี่นะคะ่ะไปเผยแพร่ น, นำเสนอนะคะให้กับน้องๆ ป2ป3หรือว่าน้องอนุบาลเนะะี่ยค่ะให้ได้ชมกันนะคะเพื่อที่จะ เ, เขาจะได้มีภาษาแล้วก็ใช้ถ่ายทอดได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็สวยงามมาดยิ่งขึ้นนะคะเท่านี้ในเถมเนี้ยค่ะเขาจะมีหนังสือที่เขาจะใช้เป็นคู่มือในการอ่าน นะคะก็อย่างเช่นหนุ่มชาวนาข้าวของพ่อนะคะคราวนี้อาจจะต้องมีการสั่งซื้อนะคะถ้าจะสั่งซื้อเล่มไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะส่งสื่อสารไปทางคุณพ่อคุณแม่นะคะค่ะภาษาไทยนะคะก็เข้าดีนะคะเดี๋ยวเชิญคุณครูสมพรนะคะ ขอบคุณมากครับคุณครเจียบคุณสมพรคะเราเฉลยเบอร์ข้ากันใหอ๋อดีครับดีดีเมื่อกี้ที่จับเบอร์ไว้ผือมีเพื่อเพราะแม่ประทับใจไปแวะซื้อทานนะคะแต่ละสายพันธุเบอร์หนึ่งค่ะมีใครได้ชิกเบอร์หนึ่งไปบ้างคะไม่มีเลยจำได้ไหมครับทม่ไห้ฉีกจำไม่ได้ไม่เป็น เลยไหมคะครับผมฉเฉลยเลยเออเมื่อกี้คุณจะพูดไปนะคะก็ที่เอามาให้ชิมวันนี้นะคะมีข้าวหอมมะลิยโสนะคะมีเสาวให้มีหอมมะลิแดงมีช่อราตรีมีหอมปทุมหอมเชียงรายไรซ์เบอร์รี่นะคะเหลืองปลาทิวแล้วก็หอมสุรินถ้าโดยข้อมูลที่คุณครูไปร้านข้าวอะคะ่ะพ่อค้าก็จะบอกว่าข้าวที่ติดอันดับขายดีสุดก็จะเป็นข้าวของยโส ก, กับสุริ น, นะคะ่ะ คนก็จะชอบกันมากค่ะหมเลขหมเลขยเลขอไคุณพ่อแม่จำไม่ได้ค่ะม่จำเงินไม่ได้เลยเลยเยยังออกมาว่ามีกี่สายพันอะเบอร์ห้าเบอร์ห้าอเบอร์ห้าเบอร์พันอะไรค่ะหอมอะไรนะครับหอมสุบนอสนใกล้เคียงขอมอะไรค่ะอปทุงค่ะ หอมเหมือนกันเนาะเบอร์หเป็นหอมเชียงรายค่ะเบอร์แปดเป็นเหลืองประทิวค่ะเบอร์เก้าเป็นหอมสุรินเบอร์สามเป็นหอมมะลิแดงค่ะค่ะเบอร์เจ็ดเป็นไรซเบอรี่ค่ะจัดแข็งหน่อยไหมคะตอนเบอร์สค่ะ เบสองเป็นข้าวสองให้ค่ะเบอร์สนะี่เนาะค่ะเป็นช่อราตรีค่ะช่อราตรีนะครับเป็นเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่ ค, คุณลุงชัยพรน์นำมาปลูกแล้วก็ชวนเด็กปห้าปีที่แล้วปลูกนะครับเพราะว่าเป็นข้าวที่อายุไม่ไม่ไม่มากประมาณสักร้อยวันนะครับแล้วก็ผลผลิตก็ถือว่า ใช้ได้แล้วก็มีความหอมของกลิ่นใบเตยไม่ทราบว่าได้กลิ่นบ้างไหมครับมันจะมีกลิ่นใบเตยประมาณนิดหนึ่งนะครับก็เป็นพันธุ์ข้าวเบลที่มาพัฒนาให้มันเป็นพันธุ์ข้าวคุณภาพซึ่งปกติข้าวเอลมันจะเป็นข้าวข้าวแป้งข้าวที่ขายในราคาที่ไม่แพงนะครับก็มาพัฒนาสายพันธุ์โดยเอาไปผสมกับข้าวของสุพรรณก็กลายมาเป็นข้าวช่อราตรีที่ได้ชื่อชอ่ชอราตรีเพราะว่ า, วา รู้บอกว่าอยากได้ชื่อไทยๆอยาชื่อช่อร้านที่ให้เประปอะๆนะครับขอบคุณคุณครูข้าวตูและก็คุณครูเจียมนะครับทีนี้ที่เราได้ชมสรารคดีไปแล้วแล้วก็ได้จิตได้ทําร่วมร่วมทํากิจกรรมเล็ ก, ล ก, ล ก, ลกๆน้อยนะครับเกี่ยวกับการชิมข้าวเด็กก็จะได้ทําแบบนี้เหมือนกันเพื่อที่จะให้เห็นความน่าทึ่งน่าสนใจของข้าวในมิติต่างๆมิติในเรื่องของ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของข้าวที่มีมาตั้งแต่คือถ้ามีการ เ, าเก็บข้อมูลมาจากฟอสซิลเนี่ยก็ประมาณ200ล้านกว่าปีก่อนนะครับที่มีการพบว่ามีพืชชนิดนี้อยู่บนโลกนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นในแง่ของอหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามันมีข้าวป่ า, าคนคนเนี่ยเอาข้าวป่ามากินเนี่ยอยู่ประมาณ 15,000 ปีนะครับ แต่ถ้าคนเริ่มทำนาเนี่ยหลักฐานเชื่อว่าอยู่ประมาณ 10,000 ปีนะครับที่ประเทศจีนนะครับส่วนในประเทศไทยเนี่ยอยู่ประมาณที่เจ็ดพันเจ็ดพปีนะครับที่พบหลักฐานนะครับซึ่งก็จะขึ้นเป็นข้อมูลที่บอกว่าประมาณสักสา0พปีถึงสามพปีก่อนพริสกาลเนี่ยเป็นช่วงที่พบนะครับพบในเรื่องของร่องรอยที่เป็นแกลบแกลบจากภัชนะดินเผาเนี่ยซึ่งเขาพบนะครับ ทั้งที่แหล่งที่ขอนแก่นแล้วก็ที่ถ้ำที่ไม่ห้องสอนแล้วตอนนี้ถ้ำที่ไม่ห้องสอนนี้น่าสนใจมากถ้าใครที่ติดตามข่าวล่าสุดเลยเมื่อสักวันวันนี้ครับเมื่อวานนี้ด้วยเนี่ยที่เป็นข่าวฮือฮามากในวงการวิทยาศาสตร์ของอเมริกันอเมริกันอเมริกาที่เขาเอาเอากะโหลกของมนุษย์ถ้ามนี่ยไปพิสูจน์แล้วก็ทำออกมาเป็นว่าเออเป็นเป็นว่าหน้าตาของคน คนในภูมิภาคนี้จะเป็นหน้าตาแบบไหนเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับซึ่งก็หน้าตาคล้ายๆกับคนปัจจุบันคือไม่ได้ต่างกันมากนะครับเมื่อประมาณสักห้า0ันปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งนะครที่แสดงให้เห็นว่านี่คือร่องรอยที่พูดถึงเรื่องของเรื่องของข้าวเพราะฉะนั้นข้าวจึงเป็นสิ่งที่คนนะครับยกย่องให้เป็นมากกว่าข้าวซึ่งจริงๆมันก็้ือตระกูลย่านะครับแต่ว่าเราก็ายกย่อง ในแง่ของความเชื่อว่าเป็นพระแม่โพสตนะครับนี่ก็คือเป็นประวัติศาสตร์ที่ที่เด็กๆ เ, เวลาที่เขาเรียนเขาก็จะได้เข้าไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวในเรื่องของข้าวเนี่ยมันบอกในเรื่องของประวัติศาสตร์ว่าอย่างเช่นในสมัยทวาราวดีเนี่ยซึ่งเป็นซึ่งเป็นช่วงที่มีการนำข้าวซึ่งปกติคนในภูฏากเนี่ ย, ย, ยก็จะกินข้าวที่เป็นข้าวมา ส, สั้นอย่างข้าวเหนียว แล้วก็เริ่มวัฒน์รับวัฒนธรรมมาถ้าเราคุ้นชินเราก็จะคุ้นชินศิลปะทวารวดีที่พูดเป็นเรื่องของศิลปะเพระพุทธรูปใช่ไหมครับนั่นแหละเข้ามาพร้อมๆกันกับตรงนั้นนะก็คือคนไทยก็คือเริ่มที่จะรับข้าวชนิดที่เป็นข้าวเรียวข้าวเมล็ยาวๆที่เป็นข้าวเจ้ามานะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าข้าวเจ้าเพราะว่าคนที่ได้กินก่อนก็คือเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของคําว่าข้าวเจ้า เด็กก็จะได้เรียนรู้เรื่องนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นในในเรื่องของ เ, อเดียวเราจะเป็นสิ <c oughs> มื่อกี้นี้ผมพูดในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับเด็กก็จะได้ได้เรียนรู้ในเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้มันก็มีความรู้ในมิติอื่นอื่นอีกมากมายที่นักเรียนเขา เขาก็จะได้เรียนในลนักษณะแบบนี้อย่างเช่นมิติในเรื่องของประโยชน์ที่ครูขตโถพูดมิติในเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่ครูสมพรพูดเมื่อประวัติศาสตร์เมื่อสักครู่นี้ประวัติศาสตร์ค้าวว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อสักครู่นี้นะนะครับแล้วก็ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวนะครับว่าในโลกนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีพันธุ์ข้าวอยู่ประมาณ1นึ่งแสสายพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยมีการสำรวจพบเนี่ยอยู่ประมาณ2องหมสายพันธุ์ ในโครงการข้าวที่เขามีธน า, นาคารข้าวนะครับแล้วก็มีห้องห้องห้องเย็นขนาดใหญ่ใหญ่กว่าห้องประชุมรัฐบาลของเราเนี่ยแล้วก็เก็บข้าวอยู่ในนั้ น, นประมาณ 5,000 สายพันธุ์นะครับเก็บฟรีสไว้ที่อุณหภูมิประมาณติดลบ50องศาประมาณนี้นะครับเก็บไว้เพื่อที่จะเป็นวรดกทางวัฒนธรรมหนึ่งที่มนุษยชาติมีนะครับแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ข้าวเนี่ยเวลาที่จะเอาไปปลูกก็คือมันต้องปีต่อปี ปีตอปีเท่านั้นคือถ้าจะต่อข้าวก็คือต้องปีดอปีไม่งั้น เ, เชื้อมันก็จะตายนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยจากห้าพันสายพันธุ์ที่พูดถึงเนี่ยแต่เราก็ปลูกข้าวที่กินอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่เกินร้อยสายพันธุ์แล้วในร้อยสายพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณสักไม่เกิน10สายพันธุ์ที่คนเรากินเป็นปกติอย่าง mm hmm. เช่นที่ถ้านูกครองได้สิบไปนี่ก็คือ1นในหนใน หลายๆข้าวที่ไปจากไปดูคุณครูโสภรพาคุณครูปอห้าเนี่ยไปช็อปปี้งข้าวแล้วก็ไปดมเลยนะไปขออนุญาตเจ้าของร้านขอดมเลยนะครับข้าวแต่ละพันุ์อย่างเช่นข้าวหอมใหม่ข้าวหอมเก่าข้าวหอมเชีงหอมมะลิเชียงรายนะครับหอมบะลิสุรินหอมบะลิยะโสธรแล้วราคามก็จะแตกต่างกันเพื่อที่จะแบบให้ให้เราเห็นถึงความแตกต่างและเวลาที่เราชิมเนี่ยรับรส นะครับและกลิ่นของมันเนี่ยนะครับและสัมผัสต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะพาเราเข้าไปเรียนรู้ความเป็นข้าวในมิธีต่างๆอีกมากมายซึ่งซึ่งเด็กก็จะได้เรียนนอกเหนือจากการทำการทำนาอย่างเช่นในในสไลด์ในสารคดีเราก็ะาจะเห็นว่ามาีเด็กๆ เ, เข้าได้เรียนรู้อะไรบ้างองดภาพนี้ที่หก็ได้นะครับคุณครูวิกดได้เลยครับมันจะขึ้นเอง ะ, ะเมื่อกี้ที่พูดไปว่าอย่างเช่นกรณีคำว่าข้าวปิดแก้วกับข้าวขาวดอกมะลิเนี่ยขาวเหมือนดอกมะลิเนี่ยมันต้องเป็นประวัติศาสตร์ว่าในสมัยรชัชกาลที่ห้าพราะองค์เสด็จไปประ้าบยุโรปแล้วพร ะ, ะองค์ก็เห็นถึงข้าวเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากจะให้คนไทยนี้มามาพัฒ น, นาสายพันธุ์ข้าวให้มันให้มันได้โดดเด่นแล้วก็ มีการส่งไปส่งข้าวเนี่ยไปประกวดข้าวโลกในประเทศแคนาดานีตอนนั้นที่แคนาดาเป็นเป็นเจ้าภาพในการประกวดแล้วเราก็ข้าวปิ้นแก้วของเราเนี่ยก็เป็นข้าวที่ได้รับรางวัลที่1ของโลกเป็นครั้งแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการแบบระดมกันใหญ่เลยที่จะมีการส่งเสริมให้มีการประกวดแล้วก็ในยุคที่มีการประกวดที่ข้าวขาวดอกมะลิเนี่ย แล้วมันก็กลายมาเป็นข้าวหอมมะลิร้อยหที่พวกเราบริโภคกันอยู่ปัจจุบันนี่มันก็คือเกิดจากการที่เขามีการพัฒนาสายพันธุ์โดยการที่เอาข้าวพื้นบ้านเนี่ยมาแล้วก็ปลูกปลูกปลู ก, ล ก, ลกในแปลงทดลองนะครับเป็นแถวแถวแถ ว, แวได้ประมาณร้อแถวร้อแถวแล้วก็แถวที่105เนี่ยคือแถวที่เป็นข้าวจากบางังคราที่จากทางเซานะครับแล้วก็เป็นข้าวที่ มีเกร่งดีรอดดีแล้วก็หมอที่จะเอาไปประกวดเขาก็เอาไปประกวดพอไปไปประกวดก็กลายเป็นได้รางวัลที่1 น, นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับแล้วปีล่าสุดเนี่ยข้าวของมะลิก็เสียแชมป์ไปเป็นบางช่วงนะครับแล้วปีล่าสุด น, นี้คือกลับมาเป็นแชมป์ของข้าวที่ดีที่สุดในโลกนะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งต่างๆที่เป็นมิติของการเรียนรู้นอกเหนือจากที่พาเด็กเข้าไปไปเรียนรู้วิธีการทำนาจาก ลุงชัยยพรซึ่งเป็นปราชชาวนานะครับปราปราแห่งแผ่นดีของประเทศไทยสาขาการทํานานะครับได้รับรางวัลนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วท่านก็เป็นเกษตรกรดีเด่นมามาตลอดนะครับแล้วก็ได้รางวัลมากมายนะครับรางวัล smart farmer ในยุคสมัยอ่ารัฐบาลยิ่งลังแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นปราแห่งแผ่นดินสาขาการทำนาทํานาแล้วท่านก็เป็นครูของครูของ โรงเรียนรุงอรุณนะครับที่รักท่านเมตตากับพวกเรามาก็คือเราก็จะพาเด็กไปไปเรียนรู้วิธีคิดแนวคิดของท่านในการที่ท่านทนาํางานมีความคิดแนวคิดอย่างไงแล้วเด็กก็จะได้มิติใหม่ของความเข้าใจเกี่ยวกับชาวนาว่าชาวนาไม่ใช่คนทีเ่เป็นคนที่ไม่มีความรู้แต่ชาวนามีความรู้มากมายเพียงแต่ว่า เราจะรู้หรือเปล่าว่าชาวนามีความรู้ตัวเราเนี่ยคนเมืองจะรู้หรือเปล่าเราก็เข้าไปอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจว่าลุงเป็นนักประดิษฐ์ลุงเป็นนักคิดค้นลุงเป็นนักพัฒนาสายพันธุ์ข้าวและชาวนา น, นี่คือนักพัฒนาสายพันธุ์ข้าวอย่างแท้จริงครับผมนะครับทีนี้ในส่วนของวิทยาศาสตร์เนาะคุณครูข้าวตูจะต่อไหมครับก็จะรอไปกับตัวโครงงานเนาะเดี๋ยว ให้ครูอุ้มช่วยเราให้ฝังด้วยนะคะเพราะว่าการทํางาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาพลมฟ้าอากาศในแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะในตัววิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะมีการเรียนรู้กันไปแล้วก็เติมสาระให้ครบในสิ่งที่เด็กๆต้องเรียนนะคะเดี๋ยวครูอุ้มช่วยเลาให้ฟังสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์ในเทอมนี้นะคะก็แบ่งเป็น3เรื่องหลักๆค่ะเรื่องแรกก็เรื่องลมเรื่องแรงกา ร, อ ง, ง, ร, อ ง, ร ง, กงอกของมเมล็ดแล้ว สเรื่องนี้เกี่ยวกับการทำนายอย่างไรเรามาดูกันนะคะที่เรื่องแรกเรื่องแรกอย่างกัพยากรอากาศเลยลมฟ้าอากาศค่ะปรากฏการณ์น้ําฟ้าที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเด็กๆจะแปลงร่างเป็นนักพยากรอากาศตัวน้อยค่ะมาสังเกตท้องฟ้าสังเกตลักษณะของเมฆเพื่อทํานายสภาพอากาศนะคะแล้วก็เรียนรู้ว่าปรากฏการณ์น้ําฟ้าการเกิดลมมีความสัมพันธ์อย่างไร กับการทำนาค่ะนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องที่2แรงการเคลื่อนที่การแขวนของตุ้มน้ำหนักนะคะเด็กๆ ก, ก็จะได้เรียนรู้สังเกตวิเคราะห์การใช้แรงค่ะโดยเราจะใช้สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นจริงก็คือการใช้แรงในการขุดขุดอย่างไรให้มีประสิทธิภาพใช้แรงน้อยแต่ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะด้วยการใช้จอบและเสียง เรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อกันเพื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นแรงบ้านแรงเสียดทานหรือแรงพยุงที่อยู่ในน้ํานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องการแข่งของวัตถุโดยเรียนรู้ผ่านเครื่องเล่นในโรงเรียนนะคะแล้วก็ส่วนในส่วนนี้เด็กๆจะได้ทําสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้หลักการเรื่องแรงและการแข่งโดยในเรื่องที่สองนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ว่า หลักการวิทยาศาสตร์สามารถนำมาใช้อธิบายสิ่งที่เกิดในชีวิตประจาวันของเขาได้อย่างไรจะเริ่มเห็นความเชนโยงแล้วก็เรื่องที่สมนะคะการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืชเราก็จะมาทบทวนนะคะเด็กๆ ก, ก็คงเคยเรียนมาแล้วค่ะเรื่องอาหารในเมล็ดส่วนประกอบของเมล็ดมีมีลักษณะอย่างไรแต่ตอนนี้เราจะเริ่มลงไปถึงการออกแบบการทดลองขัาคะแนผลการทดลอง วิเคราะห์ถึงความเหมือนและความต่างของการงอกการเจริญแล้วก็การเติบโตของมเมล็ดนะคะแล้วก็จะได้ทดลองเรื่องปัจจัยการเจริญเติบ โ, โตโดยใช้มเมล็ดข้าวเป็นกรณีศึกษาค่ะแล้วทักษะถ้าผู้ปกครองดูในแผ่นที่สองนะคะด้านหลังข้างล่างก็คือทักษะที่จะได้ในเทอมนี้นะคะอาจจะดูให้ตามดูได้ก็มาดูที่เรื่องถัดไปนะคะ ชาคณิตศาสตร์ฟังนักวิทยาศาสตร์ในนาข้าวใช่ไหมคะเราก็มีนักคณิตศาสตร์ในนาข้าถึงกันเลขเนี่ยไปสัมพันธ์กับข้าวยังไงใช่ไหมคะเริ่มแรกเนี่ยคุณครูก็จะพาไปสังเกตแปลงนาไปดูรูปร่างแปลงนาว่าแปลงนาเขาเนี่ยรูปร่างเป็นยังไงเลขาคณิตก็จะมานะคะ สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะเสร็จแล้วต้องรู้พื้นที่แต่และแปลงเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่รู้พื้นที่แล้วหน่วยของพื้นที่ก็ต้องมาหน่วยแรกคืออะไรคะตารางเมตรตารางวางานไรเขาก็จะรู้ว่าพื้นที่ที่เราปลูกข้าวเนี่ยทั้งหมดมีเท่าไหร่ เสร็จแล้วก็ต้องไปคํานวณเพื่อหาว่า1ตารางเมตรเนี่ยเราต้องใช้มเมล็ดพันธ์เท่าไหร่ก็เป็นการที่เราจัดเตรียมนะค ะ, มะเมล็ดพันธ์จากรื้นที่เนี่ยใช้ให้พอดีไม่เหลือทิ้งนะคะก็มีการใช้การหารนึตารางเมตรใช้มเมล็ดพันเท่าไหร่แล้วก็นอกจาก นักดีดสารในแปลงนาเนี่ยเราก็จะมีเนื้อหาอื่นนะคะในหนังสือที่ผู้ขายซื้อเดี๋ยวขอเชิญครูเต้ยนะคะช่วยอธิบายหน่อยว่าเรามีเนื้อหาอะไราบ้างเทอมนี้ครับก็เดี๋ยวเห็นเมื่อกี้ชิมข้าวแล้วมันอิ่มใช่ไหมอิ่มมันเริ่รรม่ง่วงใช่ไหมเราจะพักเอาข้าไวไปชิมตอนบ่ายนะครับก็เอ่อก่อนจะว่ากันเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะชวนคิดเลขกันแบบสักนิดหนึ่งนะครับสามารถใช้ โทรศัพท์ได้เลยนะครับใครมีโทรศพัพท์ใครมือเครื่อคิดเลขนี่ก็เอามาใช้ได้เลยนะครับเราจะดูซิว่าป่ายปลายเนี่ยครับจะเรียนเลขกันไหวไหมนะฮะเดี๋ยวเราจะมีอะไรถามนิดหนึ่งนะครับทีนี้คําถามขอเราดีคุณครูสมพรเนี่ยแต่ละปีนะครับทํานามาเนี่ยนะครับทราบไหมครับว่าแต่ละปีเนี่ยได้ข้าวกี่ตันบางคนอาจจะไม่มีข้อมูลนี้นะครับผมเรียกเป็นตันเลยนะฮะ ได้ไหครับผู้สปอร์ตขำอย่างนี้เนี่ยขำอางนี้ยงนี้เอาอก็ตันนิดหน่อยฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะชวนคิดเลขนิดนึงนะครับฝึกการแบ่งข้าวหน่อยอ่ะคุณครูวินครับเรามาฝึกการแบ่งข้าวนี่มีอ่ะนะครับชวนคิดเลขสมมุติ ก, กันนะครับรข้าวนี้คือข้าวแต่ละกระสอบมีกี่กิโลกรัมนะตอนนี้เห็นข้าวกี่กระสอบครับ สามกระสอบให้จินตนาการว่าข้าวมันยังไม่กระสอบยังไม่มีข้าวแล้วกันนะครับนะครับมีอยู่3ามกระสอบนะครับจะลองฝึกการแบ่งข้าวใส่กระสอบบอลลูนนิดหน่อยนะฮะใครมีองคิดแล้วก็กดได้เลยนะครับทีนี้เงื่อนไขของการแบ่งข้าวเปลือกของคอรูสนะุพรอันอีกนิดหนึ่งครับคุณดีนี่เลยนะครับอ่ะขอให้อ่านพร้อมๆกันนะครับหนึสา ท่านไหนเข้าใจเรายกมือขึ้นครับโ อ, โอ้จําไว้เลยนะครับอยู่ห้องไหนบ้านไหนะคุณพู ด, ดูนะฮะนะครับไปๆอย่างนี้ต้องต้องต้องต้องเช็คกันนิดหนึ่งฮะหรือท่านไหนยังสงสัยเงื่อนไขที่อยู่ยกมือได้นะครับเข้าใจหมดเลยนะครับหมดนะฮ ะ, ะ, ะ, ะคุณพ่อผมเห็นใจมากครับง่วงมากคุณพ่อเข้าใจไหมนะครับด้า น, นตัวนะตัวกระสอบ้ายมือก็คือจะมี หนักน้อยกว่ากว่ากระสอบ3กิโลแล้วก็กระสอบป่าสุดก็คือจะจอหนักกว่าโต๊ะกลาง3กิโลโ อ, โ, อโอ้อโหขอบคุณเลยครับคุณพ่อเชื่อผมไปแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับแต่ว่าเอ๊ะเรามีข้าวหรือยังครับยังนะครับเราจะมาดูข้าวคูสมพรว่ามีอยู่เท่าไหร่นะครับนั่นคูสมพรโชว์ข้าวชุดแรกก่อนว่าเรามีอยู่กี่กิโลมีข้าวอยู่12กิโล เอาละอุย้ยมีคนยกมือทันทีเลยนะครับไม่น่าเชื่อตัวเลขขึ้นมาขนาดสามมนาทีได้นะคำตอบแล้วหรือครับอยากให้เวลาท่านอานื่นนิดนึงนะฮะแอบบกดหรือว่าอ่ะให้เวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับลองดูช่ว่าเราจะแบ่งสิบสองกโลนี้ไปอนุญาตให้ปรึกษากันได้ด้วยนะครับเขียนได้เลยครับเขียนได้เลยครับจะทษตรงไหนโทษเลยนะฮะท่านไหนได้แล้วยกมือขึ้นครับนี่หนึ่ง โอ้โเกือบครื่องนั้นเกือบครึ่งแล้วนะครับได้แล้วนะครับท่านไหนยังไม่แน่ใจยกมือขึ้นครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรปรึกษาคนทั้งท่านได้หรือเวลาอีกยี่สิบวินาทีปรึกษาได้เลยนะครับอ่าดูนะครับว่าจะแบ่งข้าวได้หรือเปล่านะครับอ้าท่านไหนจะช่วยตอบหน่อยนะครับว่าตกลองรับคูเตอร์จะแบ่งข้าวยังไงดี คุณพ่อบอกได้แล้วอ๋อทางด้านโน้ตอาเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับใช้มือเป็ น, ปน1นกิโลค่ะตรงกลางเป็นย่าไม่ต้องเชิญลยนะครับ1นกิโลนะครับแล้วก็สี่กิโลสกิโ็กิโลค่ะเจกมีท่านไหนตอบตากอย่างนี้อีกครับหนึ่งสี่เจ็ดไม่ได้ไย่หวยนะครับเพ <c oughs> าะ <c oughs> ว่าไอ้กิโลที่เราช่างแลอยู่นะครคุณแม่ที่ยกมือคุณแม่รวเดเร็วมากตอบเหมือนกันไหมครับหนึ่ง สี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดนะครับมีท่านไหนตอบต่างอย่างนี้ไหมครับไม่มีนะครับแสดงว่านักเรียนประ่านลนนี้กอัวไม่ธรรมดานะใช่หรืเปล่าว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะแป๊บเดียวติดตอกเลยนะครับอ่านเฉลยก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปดูว่าถูกหรือเปล่าคุณดีครับเชิญครับสี่หนึง่งเจ็ดไม่กว่าถูกหัวยอีกนะฮะ <laughs> <laughs> โอเก่งมากนะครับประเมินนยครับ อันนี้เราแค่ลองนะคร uh ับย OK ังไม่ใช่จำนวนข้าวจริงจริงครูสปอนตนะครับอันนี้หลองขออนุญาตถามคุณแม่ที่คิดเร็วๆนะครับว่าคุณแม่ทําไมมองเสร็จปุ๊บแล้วคิดออกมาเลยสิบ12งอ่ให้12บสองคุณคิดออกมาเลยคุณแม่ทำทำไมก็คือทั้งสอันเนี้ยค่ะสมมติเรามีข้าวทั้งหมดก่อนแต่เราคิดว่าเราจะแบ่งเท่าๆกันก็หาร3เสร็จแล้วอันแรกกับอันขวาอันซ้ายกับนขวาเนี่ยมันก็คือลบสามกับบวกสาม มันเท่ากันนะก็คือเอาตัวกลางก่อนได้ค้าเท่าไหร่ก็คือหารสารมแก็ได้ตรงกลางแล้วค่อยคิดซ้ายกับขวามีท่านไหนที่ได้12บกิโลมาแบบเนี่ยเราไม่ได้คิดเหมือนคุณแม่บ้างนะมีท่านไหนครับใช้วิธีไหนอีกครับหรือว่าเหมือนกันเลยฮะเหมือนกันไหยครับคุณพ่อไม่เหมือนคุณพ่อทอะไรครับผมว่าคิดยาึงอ่าคนคิดยักกว่าก็คือผมให้ตัวสารสุดถึงเอ็ ก็62ท yes. ี่63ทีบ66นะครับแวก็ก็ใน3 6 69 62แล้วก็เอาเอา9ไป62ที่3 3ที่1ก็ไม่1้นะเป็นอเลยนะครับจะให้คุณแม่สรุให้ฟังอีกทีนึง้มมีท่านไหนไม่ได้คิดอย่างคุณแม่และคุณพ่อท่านนี้มีไหมฮะอาเชิญานคุณเชิญครับเอาส่วนต่างครับ 2กองแรกกับสองกองหลังนะคะที่บอกว่าต้องห่ากันสามกิโลลก็กองหลังก็คือต้องห่างจากกองตรงกลางสามกิโลใช่ก็ต้องห่างทั้งหมดหกกิโลครับผมก็เป็นเอาสามบวกหกเป็นเก้าแยกออกมาก่อนแล้วเหลือสามเอาหางสามกองก็กองละหนึ่งก็เป็นกองแรกคือหนึ่งกองทสองก็บวกสุดท้ายที่เก็บไว้ตอนแรก กองสุดท้ายก็บวกส่วนต่างที่เก็บไว้โฟมเป็โอ้โหอาโปรมือให้อีนกนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามีวิธีคือจริงไหมครับมีอ่ะคุณตัวทางนี้เลยครับช่วยจดไว้เก็บไวให้ลูกๆด้วยนะครับสามวิธีแล้วเชิญครับค <c oughs> ุณแม่ครับเนื่องจากคําตอบมันน้อยสิบสอก็ใช้วิธีเดาเลยครับอันแรกคือ ว, ว่าเ <c oughs> ดาก่อนว่ากองที่หนึ่งก็คือ2อรแลก็บวกสามกสาแล้วเกินสิบสอก็ลดลงเต็ม เป็นหนึ่งแล้วก็บทก็บทโอ้ <S 2> <S 2> โอวิธีนี้ก็ได้นะครับอันนี้ <ทด S 1> จะเร็วมากเลย <S 2> <S 2> ทขาลองไปเรื่อยอ่ามอันนี้ข้อดีแค่แบบว่าเป็นตัวอย่างนะครับมีทั้งหมดสี่วิธีการหรืออาบมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับหลายท่านนาจไปได้บอกมาเดี๋ยวจะทดสอบอีกสักข้อนึงนะครับดูซิว่าจะแก้ปัญหายังไงครับคุณครูนี่เราประมาณไม่ได้แล้วนะครับขอโจทย์ยากเลยครับตกใจม่าน้ยินี่งนี้โจทย์ยากตกใจมาก สิบดเชิญครับใครได้แล้วยกมือขึ้นเลยนะครับ แล้วยกมือขึ้นครับอ๋อมีคุณพ่อด้านหลังครับคุณครูครับตูครับขอสภาพคุณพ่อด้านหลังนะครับนี่แถวคุณพ่ออ่านคุณพ่อยกมือนะครับยกมือเป็นคนที่สองเลยนะครับคุณพ่อได้คําตอบเท่าไหร่ครับคุณอื่นคิดตามไปด้วยนะครับเจอครับสามหเก้าครับสามหเก้าท่านอื่นได้คําตอบเท่าคุณพ่อไหมครับเท่ากันเลยนะครับสามหเก้านะครับ คุนีครับเฉลยก่อนเลยครับถูกหรือเปล่าหกตัวแรกมาแล้วสามสามหกก็ถูกต้องลงมือให้หน่อยะครับเก่งมากครับคุณพ่อพักขอถามต่อหนึงว่าใช้วิธีไหนครับเทคนิคเดียวกันนะครับคือเราคิดในใจว่ากองแรกเป็นเอกองแรกไหนผมว่าองนี่แล้วนะครับมันเดียวกันเลยครับสามกองกลางจะมากกว่าอยู่สามโลใช่มครัครับผมมากกว่าสม้งหมดหกกิโลก็วกเป็นไปเก้ อเก้าเสร็จก็ลสิบแปดเลยเหลือเก้าก็หารสามยังเหลือสามกิโลครับเราก็ไปหุบถอนเพินไอ๋อไม่ธรรมดาแต่ว่าวิธีคุณพ่อนี่เป็นที่เดียวใครท่านไหนใช้วิธีอื่นที่ไม่เหมือนคุณพ่อที่กำหนดเป็นเอมาครับนียยกมือขึ้นนะครับใช่ปวดทั้งห้องเลยเหรอฮะทางนี้คุณกัตันทางนี้ครับคุณแม่ทางนี้ทนี้ทางนี้ทางนี้ครับคุณแม่ใช้วิธียังไงครับ ก็มาจากเดิมที่เป็นสิบสองเชื่อครับเพิ่มสิบแก็เดิมจากเพิ่มมาหก็แบ่งเท่ากันว่าองี่โลโอเลียมมากนะครับใช้ข้อสังเกตจากข้อเดิมที่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับก็ใช้ได้แต่อ่ะมีท่านไหนใช้วิธีอื่ครับมีไหมครับนอกจากหรือโกงทั้งห้องเหมือนกันนผมว่าไม่น่าจะใช้นะ ม, ม, มีมีบางคนพยายามแบบว่ายิมยิมแต่ว่าไม่กล้ายกมือยกมือนนะครับอ่าคุณพ่อคุณพ่อข อ, องเหมหรือเปล่าใช้วิธีไหนครับใช้เฉลีย่ยนะครับเฉลีย่ยครับทั้งแล้วก็เฉลีย่ยไปทางซ้ายสเอสองแล้วก็าาวอ๋อเฉลีย่ยทั้งสามกองแล้วก็เติมแล้วก็เพิ่มซ้ายขวาไปอันนี้ก็ได้นะครับก็แสดงว่าสิบแปดก็ยังง่ายไป พอยอดอยากตอบอะไรอีกไหมครับ18บก็ยังงด้ไปนะครับคุณนีครับขอข้อสุดท้ายเลยครับ <c oughs> 66ครับเริ่มเครียนขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะ ได้ค่กดเครื่องยินเล่กันใหญ่เลยค่ะได้เลยครับคิดกันใหญ่จะโทรถามเพื่อนเอาจริงอเอาจังเลยค่ะเหมือนแข่งโอลิมปิกค่ะตั้งใจมากนะครับนี่เป็นห้องเรียนในฝันผมเลยนะฮะอาเชินะครับได้แล้วคุณแม่ได้แล้วคุณแม่ตอบเท่าไหร่ครับสิบเก้ายี่สิบสองยี่บห้าสิบเก้ายี่สิบสองยี่สิบห้าถูมครับคุณคูณี ถูกต้องครับลงมือให้หน่อยครับหลายท่านก็คงคินได้เช่นเช่นกนคุณแม่ใช้วิธีไหนครับไปคิดเร็วจังเลยครับวิธีที่วิทยาอธิบายอะค่ะคือเอาส่วนต่างกันออกมาก่อน9กิโลค่ะี่เราก็66ลบ9แส้งที่เหลือไป็นหันสา<อ>ก็จะได้กล่องแรก19แล้วก็บวกสาแล้วก็บวกสามเข้าไปเอาส่วนต่าง ม, มาลบแบบแล้วก็เติมเข้าไปนะครับอันนี้นะครับถือว่า เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับจริงๆแล้วถ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับจริงๆแล้วข้าบเรียนนี้เนี่ยครูได้ไม่ได้ต้องการที่จะหาข้อสรุปะรนะครับเพียงแต่จะยกตัวอยา่างให้เห็นว่าในกระบวนการสอบคณิตาสตร์ทั้งหมดทั้งมวลของเรียนรุ่นพลุนนะครับก็คือต้องการต้องการบันเดิลการของการสร้างเงื่อนไขในการช่วยกันทำงานช่วยกันคิดช่วยกันหาคําตอบซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่สังเกตนะครับว่าการที่เราได้ฟัง 1นคนแชร์ในสิ่งที่เด็กพูดเนี่ยไม่ว่าจะผิดหรือถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับจะนับเอาก็ได้จะกําหนด x เลย ก, ก็ได้นะครับคุณแม่จะใช้อีกแบบหนึ่งการเฉลี่ยทุกวิธีนะครับในความหมายของห้องเรียนนิสสานเนี่ยมีความจําเป็นทั้งหมดนะครับถ้าเป็นในเด็กเองนะครับอันนี้จะชา้ากว่านี้นะครับไม่ต้องตงใจนะครับเด็กๆก็จะค่อยๆค่อยๆ ค, คุยกันไปแล้วก็มีกระดานที่จะเขียนมันก็จะเขียนว่าคุณพ่อคิดอย่างนี้คุณแม่คิดอย่างนั้น หรือคุณแม่ออกมาเขียนกระดานให้เพื่อนดูหรือคุณแม่ท่านนี้ก็ออกมาค่อยๆแจกแจงดูก็ได้หรือคุณแม่ที่คิดเร็ว เ, วเนี่ยก็จะได้ได้ให้เพื่อนเห็นว่าเอ้มันมีทั้งหลายวิธีนะแล้วถ้าแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตนะครับเวลาเราได้ฟังเพื่อนคิดเนี่ยเราจินตนาการตามไปได้วยไหมครับนั่นนหะครับคือการเรียนรู้ในห้องเรียนคณิตศาสตร์คุณครูเตไ้ได้บอกอะไรไหมครับไม่ได้บอกอะไรเลยนะครั บ, พบเพราะครูเต้เชื่อว่า ต้องมีนักเรียนหนึ่งคนหรือ2คนหรือสาคนหรือทั้งหมดเนี่ยแก้ปัญหานี้ได้แล้วเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนากันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเพื่อที่จะนําไปสู่ความเข้าใจบางอย่างที่จะเกิดขึ้นจากทั้งหมดของห้องเรียนอันนี้เป็นหลักการสําคัญของของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ตามแต่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างว่าทําไมห้องเรียนคณิตศาสตรข์ของของโรงเรียนมุกกระโดเนี่ย ถึงใช้กระบวนการกว่า open approach นะครับก็คือจะเห็นว่าครูตเตอร์มีปัญหาให้เห็นใช่ไหมครับแล้วก็ก็ค่อยๆเข้าใจปัญหากันแล้วก็เช็คจากคุณพ่อเข้าใจแล้วแล้วก็ค่อยๆทำปัญหาที่ง่ายที่ง่ายที่ง่ายจนกระทั่งเป็นปัญหาที่นำไปสู่ข้อสรุปที่สำคัญบางอย่างอันนี้นะครับเป็นหัวใจหลัก4ขั้นตอนนะครับของของการของการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ในในโรงเรียนรู้นะ ทีนี้สําคัญอยู่ที่ตรงไหนนะครับทําไมโรงเรียนถึงกําหนดให้คุณพ่อคุณแม่ใช้หนังสือเล่มนี้ร่วมกันนะครับนะครับคุณอ้อครับหนังสือเล่มนี้สําคัญยังไงครับช่วยอธิบายให้ท่านผู้ปกครองค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีกระบวนการในในใ น, ในหน้าแรกนะคะก็จะมี โจทย์ปัญหาโจทย์ท้าทายอะไรเงี้ยค่ะให้ให้ในใ น, ในอยู่ในหน้าแรกนะคะหมายถึงว่าหน้าแรกของทุกบทน้ารนะค ะ, ก, นนะคก็จะเป็นโจทย์ให้เด็กได้แก้ไขกกร่วมกันนะค ะ, ะแล้วก็มีการปรับปรุงด้วยนะเล่มนี้รู้สึกว่าจะม่มนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดใช่ ค, ค่ะเพราะนั้นเราก็จะใช้เล่มนี้นะคะในทุกบทคาบเรียนในทุกภาบเรียนนะครับที่สําคัญถ้าเล่มนี้นะครับคุณแม่เปิดหน้าแรกเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เปิดเราเปิดหน้าแรกเลยนะครับ นาแของอ่จะเห็นสั ญ, ญลักษณ์นี้นะครับนี่เดี๋ยวครูจะโชว์นี่นะครับจุดนี้นะครับจริงๆแล้วในหนังสือเรียนที่ที่ถูกออกแบบมาอย่างดีแล้วก็ใช้กันทั่วโลกนะครับจะคำนึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นที่ตั้งนะครับฉะนั้นการออกแบบหนังสือเรียนมาเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการวิจัยที่ต่อเนื่องอย่างเนี้ยรอบ5้าปีแรกที่ผ่านไปแล้วเนี่ก็พาเริ่มห้าปีนี้ก็ ปรัหนังสือเพื่ที่จะให้บอกาะกับนักเรียนฉะนั้นทําไมต้องมีหนังสือนักเรียนที่พบอกแล้วรวมถึงนะครับหนังสือนักเรียนหนังสือเลขคณิตหนังสือคณิตศาสตร์ชุดนี้นะครับที่สําคัญที่ว่าคุณครูต้องใช้ประกอบการสอนทุกคาบนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าตั้งแต่หน้าแรกที่คุณครูเปิดดูก็จะมีสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับสัญญักษณเหล่านี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นหมายของครูที่จะค่อยๆค่อยๆพาเด็กสังเกตแล้วก็ค่อยๆตั้งคําถาม นะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยปคนพบความรู้ด้วยตัวเองให้มากที่สุดนะครับฉะนั้นหนังสือจึงขาดไม่ได้แต่ทางนี้ทั้งนั้นนะครับการใช้ประกอบกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเ ด, เด็กจะเขียนลงในหนังสือสุดหรืออะนะครับเขาจะต้ อ, องใช้สมุดประกอบที่จะอธิบายแนวคิดเขารวมถึง ค, ครูก็จะมีสถานการณ์อย่างเมื่อกี้น่นครับโชว์แล้วก็ฝึกกันฉะนั้นเขาก็จะได้ใช้ดูภาพนะคับรูอดูภาพประกอบตามไปด้วยแล้วก็ จะได้ดูคําศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบตามไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือในหนังสือเนี่ยก็จะมีแบบฝึกแบบฝึกที่จะต้องแสดงแนวคิดตัวเองเนี่ยลงในสมุดประกอบไปด้วยฉะนั้นถ้านักเรียนไม่มีหนังสือเนี่ยหนึ่งคนไม่มีเนี่ยก็จะค่อนข้างลำบากไปแล้วเขต้องบางทีต้องต้องทําด้วยตัวเองนะครับหรือบางทีเนี่ยคุณครูชี้แจงกลับไปว่าอะไรนะครับพี่าสัปดาห์นี้จะมีติดสื่อสสื่อสาร ว, าะะวา่ว่าเรียนไปถึง บทไหนเพื่ออะไระเพื่อให้ให้ให้เด็กๆได้เอาแับแล้วไปทบทวนได้นะครับแต่ทีนี้เราจะสอนลูกหน้าก่อนไหมครับกลัวลูกไม่เข้าใจเลยเอาไปสอนข้างนอกเลยว่ามีมีไมค้แบบขยันมากเลยสอนลูกตั้งแต่ทำบทเลยเนี้ยค่ะพาลูกทํากิจกรรมเองแบบฝึกหัดตอนท้ายอะไรเงี้ยค่ะคือคือก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะคะคือแต่คือคอยากให้เขามาทําที่ห้องเรียนมากกว่าเขาจะได้เนี้ยบรรยากาศแบบที่คุณพ่อคุณแม่ทำเมื่อกี้ค่ะ และเปลี่ยนการหาข้อสรุปด้วยตัวเองไปนะคะจริงๆหนังสือจะเป็นจะเป็นเครื่องมือที่ค่อยๆพาไป mm hmm. ก็เลยขอความร่วมมือนะครับว่าให้เขาติดเติดหนังสือมาโรงเรียนแล้วก็บางช่วงก็เอากลับไปทบทวนของเก่านะครับแล้วก็ถ้ามีข้อติดขัดหรือว่าสงสัยอะไรก็คุณพ่อคุณแม่ก็มาปรึกษาหรือว่าให้เด็กเนี่ริงๆเขาโตลแล้วนะครับ mm hmm. เขียนโน้ตมันเขาปรึกษาครูก็ไ ด, ได้อันนี้ก็จะจะได้เป็นเป็นสื่อ สื่อที่เราทํางานด้วยกันแล้วก็ค่อยๆขยับความรู้คณิตศาสตร์มาขึ้นไปนะครับแล้วก็ส่วนพิเศษของป .5 ป .6 ป .4 ป .5 ก็คือบทเรียนที่เรียนรู้กับท่านอาจารย์บุญชัยขินโยนนนทพงศ์นะครับก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งเป็นค่าเรียนที่ค่อยๆยกระดับวิธีการแก้ปัญหาขั้นสูงค่อยๆไปนะครับอันนี้เราเราก็เป็นส่วนที่ท่านอาจารย์ให้ความกรุณามาช่วยทุกคนสุงอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็น ข้ามเรีนคณิตศาสตร์ที่ที่ครูเต้ยครูอ้อแล้วก็คุณครูดีครับก็จะทำงานร่วมกันนะครับคุณพ่อคุณแม่มีมีข้อสังขารหรือว่ามีความเห็นเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าอยากได้โจทย์เพิ่ม <laughs> <laughs> ะครับก็ถ้ามีอะไรหลังจากที่นอกเหนือก็มาปรึกษาอะไรได้นะครับสาหรับคณิตศาสตร์ก็เท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ and Hello, everybody. Is everybody quite still awake? <laughs> All right. Thank you. Okay. Before I will start uh, telling you the summary of grade five term term one. I'd like to share you a very simple quote. This is an American guy. He's an American inventor and also an author. Are you familiar with this quote? It says that: um, "Tell me, and I forget. Teach me, and I may remember. But involve me, and I will learn." So here in r u n g a r o n I would like you to welcome for our new batch of kids for Grade Five. We are going to focus on the rice field. How are we going to grow the seeds and how we are going to take care of them? But nevertheless, I am not telling that these kids will grow as farmers. Of course, they are not going to be farmers. But farmers are very Valuable people. We just want to focus the idea that even though the kids are born, are raised in a very good community, they must have everything. But at least they value hard work, dedication, and be able to self-rely on themselves. Like there are kids that would just say, "Oh, it's okay. Like my mom can do it, or my dad can do it." If they have brothers and sisters, they might say. No worries, they will always do it for me. But this time, we need to help our kids that they can finish and complete tasks on their own. b e Cause when they do that, then we will have our kids the biggest accomplishment that they can have. Okay, so here we have materials. I want you to please look at what you have, and it's a purple color of a book. We got two books there, purple color. We have Grammar Friends, and also we have Family and Friends. Okay. Now for Grade Five, I would encourage. This is not compulsory that I will tell all oh, parents you buy this book, but as a teacher, I would encourage that parent should buy books for their kids. And what is t h i s for? We are going to use this at least twice or once, you know, week the most. Now for this one, if a parent has its good time to teach a kid, a lot of time to teach the kid, that is good. But my purpose for these books is for the kids to practice a lot of times. So you see, I think you heard the saying, "Practice makes perfect." Okay, so for me, it's kind of like very impossible to get through that, but at least we would say practice, and aims, progress. Okay, so if we have progress, then maybe we can say later on there is perfection, right? We can perfect. Okay, so on the left side, you will notice that there are two books: the hairy tree man and how dog and people became friends. Now these, teacher Michelle, what are these? These are the two reading materials that I will be using in the class, and I would like to tell you that I also have another teacher coming so soon. Now he's still in Australia, but he'll be back here on Friday. He is teacher Gabe, and he is helping me twice in a week for reading. So these will ensure that all kids. Will be helped in the reading activity. So, if I have 25 kids in a class, Teacher Gabe will have kids taken out in the classroom for supportive reading. Reading is very, very important for our kids, as you know, because that is where the comprehension will start. If the kids read a lot, that means to say it's easy for the kid to understand things. Without comprehension or be able to understand things. It would be hard for the kid to go through different subjects, but of course, kids progress. Next, um, I already told you that it's about involving the kid. I don't talk too much in the class, but I would want the kids to do much more on their own. And since this is Romarón, we are much more focused with. Student-centered activity. It's not more teacher is talking. We want the kids to do it on their own. And here we have a lot of projects, not that much, but I'd say you can see it yourselves. Week one until week number 10. So, kids go to the rice field. First, they will observe what do they have in there. They will have investigations. And I would want them to come. Get and submit an observation report. Of course, there are questions. All right, number three and four. I would want the kids to this time to get actually something, collect, give it to me, and show what is it about. Describe it. Week number five and number six. This is the time that the kids will be a little bit creative, using the imagination. And that is the way of writing a poem. Okay, comparing things. Week seven and eight, this is subject to approval. But I think there is a field trip going to Sohanbury, where the kids will be given a chance to interview farmers, and I want them to put that as a biography. Like, who are you? How long have you been farming? And telling us that week 9 and number 10, this is the time that we are going to compile everything. And all this compilation, I will just check it, and this will be taken home. All right. So on top of this, basically in the class, we will have reading, we will have grammar, and we will have projects for the whole term. And I would say most of this are pretty much focused on what rice is, and that has something to do with our integrated projects. Okay, so that's it. For any questions or anything that you might want to clarify, please don't hesitate. Yes, please. a um, e you were expecting how many books of the week? Oh, that's a very good question, Mom. I love that question. Actually, yes, I know that most of the parents, because you were parents of grade four before, and your kids are now coming to grade five. I want to tell you a an update. For grade one to grade four, we have been doing reading lots. But in my case, right now in grade five, we are updating a little bit. And in my class, I discussed this with my team that we are not doing the reading log instead. But that doesn't mean that I'm not. We're not gonna do anything. We have something a little bit special. But I think I'm not so sure if you are familiar. But let me introduce a little background of this. We are going to use SRA. This is from Chicago Science Research. Associate laboratory reading materials, okay. And what is this reading material, Teacher Michelle? This reading material is a little bit systematic in a sense that you know our kids might be in grade five, but their reading ability varies. Right, there are kids that are very good in reading. Some kids need a lot of help in reading. So once your kids coming in the first week, which is I'm talking next week, they are not just going to read any materials that they like. Well, they can read at home, you know, but in the class we need to assess. Meaning to say, there is a little material there, and we need the kids to test first. It's not really test. Test is a strong word, but to assess where would the kid start reading? Is the reading ability of the kid very, very low, intermediate, or very advanced? After passing this test, then I will advise as a teacher together with my mate, the other teacher, to start reading from then on. Then we are going to report to you as a parent that your kid is progressing the reading ability, or. Being stuck for a little while, so yes. And parent, I would like you to know that if we are going to buy books for our main reading material, the h a i r y t r e e m a n Don't worry about it. We have a lot of stocks in the library, and that's the first reading material that I'm going to cover. But on the middle of the term, we are going to order these books, How Dog and People Became Friends. And if you r e going to ask me how much that is cost. I'm not sure yet. We're still placing our order, but we will let you know. But these two books, I would encourage the parents to buy this. Just in case you wouldn't like to buy it, it's fine. We can reproduce copies, and it should be free for you, for your kid, as an option. Anything else? Yes. Could try, can we, Ka? Can. Can. And where are you from? I'm from the Philippines. Ah, nice to meet you. Nice to meet you too. <laughs> your accent is not like Filipino. It's like more American. Um, how do you think about my accent? Does it sound like Filipino or Perfect. English? Oh yeah, I'm married to an American. He's from Oregon. I guess that's how it would look like once you get married with your partner. It seems that things have changed or adopted. I guess. <laughs> Right. Yeah, I v e taught in China, China for five years. I came here with my husband, and now, hey, I'm in Thailand and in Rungarun. So I'm very, very uh, pleased to join in the school. This is my third term. Finishing this, that means I've survived one school year. <laughs> right? <laughs> okay. So Perhaps. wish you survived this time. <laughs> Yes, Do you also participate in the rice field also with, with the activities? Uh, the? That is a very good question. Actually, I think I would like to ask c r o s s o m Porn with that, because um, I think c r o s s o m Porn is quite the leader of this <coughs> rice field activity. But if you are asking me straight, since my projects are focused more on the rice field, of course, yes. Any parents who have a lot of time to spend with their children and help them with their projects, my God, I would say thank you. <laughs> sure, of course, you are willing. Because you see, I think here's I see it. I'm also a parent, and my kid is two y e a r old. And for a kid knowing that the parent has a lot of time, it that only means that you are showing the care and love for your child over than somebody. Oh mom, we have a meeting today. Okay, not n o I'm really busy. I'm doing my business. So if you have the time, sir, my goodness, please be with your kid. And you know what? You are doing me a favor, as a teacher, because you know there are things that, yes. Okay, so I'll see you around. Okay, thank you so much. ใช ค, ะ ค, ะคุณผู้ใหญะครับค่ะก็สวัสดีค่ะในเทอมนี้ไอทีเด็กๆจะเริ่มลงเป็นวิชาของตัวเองมากขึ้นนะคะก็จะเป็นไม่ได้อินเหมือนตอนป .4 ที่ทำแค่เฉพาะกับโครงงานที่สื่อข้อมูลแต่ในเทอมนี้นะคะป .5 ป 5. .5 จะเป็นวิชาของตัวเองเลยนะคะไอทีจะอิน ก, กับโครงงานทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนการทําชิ้นงานต่างๆคะอย่างเทอมนี้เราจะใช้เพจกับ เวิเป็นตัวทํางานนะคะอย่างเช่นการถ้าเป็นเพนก็จะเป็นพวกแรสเตปนาขาวอะค่ะก็เหมือนเด็กๆอ่านจะว่าแต่ว่าความชอบของเด็กๆเนี่ยเขาจะชอบทําในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เด็กๆจะชอบนะคะเขาก็อาจจะมาแรสเตปในโปรแกรมเฮนเอลเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกซิ่งหนึ่งก็จะเป็นไมโครซอฟท์เวิร์ดตอนป .4 เขาจะเรียนแค่เบื้องต้นแต่ป .5 เนี่ยเขาจะเรียนการใช้งานเครื่องมือทั้งหมดในไมโครซอฟท์เวิร์ดนะคะ เพื four, seven, three, two, like, like like, ่อที่จะใช้ต so ่อไปในเทอม2และเทอม3ก็จะเป็นโปรแกรมเเข้าไปีก็การทาอย่างชิทแรกนะคะโปรแกรมเพนส์เนี่ยก็จะเป็นรายสเกตอย่างเช่นสิ่งที่พบในนาค้าวเด็กๆอาจจะวาดด้วยมือแต่พอในวิชาไอทีเด็กอาจจะต้องทำในโปรแกรมอะค่ะก็อาจจะเหมือนสังเกตนาแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็มาวาดนะคะส่วน m ม c r o s อ f t w o ม d ครซอเนี่คยครูเอจะให้ทำเกี่ยวกับเหมือนแผนภาพหรือทำลายต่างๆก็คือการใช้งานโปรแกรมทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณครับุณเนะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับพอทำงานด้านไอทีเนี่ยแปลว่าคือข้อมูลครูอาจจะปูพื้นฐานไปประมาณนี้นะครับแต่ว่าความสามารถของเด็กเราก็จะก็จะมากมากกว่านั้นนะครับเขาสามารถที่จะไป ตามความสนใจนะครับที่จะเรียนรู้แล้วก็เอาไปอย่างเช่นทำเป็นคลิปตัดต่ออะไรพวกนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นความท้าทายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนป .5 ป .6 นะครับก็อาจจะมีมีค่อยๆลำดับของการการที่เขาต้องมาใช้เครื่องมือในเรื่องของไอทีเพื่อการสื่อสารนี่ก็จะยิ่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวสื่อสารใดๆนะครับรวมถึงภาษาต่างๆเนี่ยนะครับ ก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นจากสิที่เขาเขาได้เรียนมานะครับในในในมิธีของภาษาเน้นเน้ฐานที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิดของเขาเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดที่มากขึ้นนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งวงของการเรียนในภาคปีที่หนึ่งปีการศึกษาสองพนนะครับของนักเรียนชั้นป .5 ของเรานะครับท่านผู้ปกครองท่านใดมี มีข้อสงสัยหรืออยากจะสั่งถามคุณครูเกี่ยวกับการเรียนการสอนอเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับโครงงานทานานะครับสองห้องสามห้องสีมีระบุไว้คต่เราถห้องหนึ่งไม่ได้ระบุวันตารางสอนตารางสอนเนาะธรรมนาจะมีผมยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับ ไม่มีแว่นอาไนไมออกซักตัวเลยมีไหมครับอ๋อครับผมมีแต่ว่ายังไม่ได้ระบุลงไปก็จะสร้างความเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าในหนึ่งสัปดาห์ในทุกห้องก็จะได้ลงนาอ่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับก็ใช้เวลาตั้งแต่ประมาณ10บโมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงอาจจะมีการปรับา ตามช่วงเวลาเพราะว่ามันจะมีวิชาภา ษ, ษาไทยกับโครงงา น, นที่สามารถโยกไปโยกมาได้าตามความเหมาะสมของลักษณะอากาศด้วยนะครับของสภาพอากาศด้วยคุณครูก็จะก็จะปรับแล้วก็จะแจ้งให้นักเรียนได้รับทราบสำคัญก็คือเด็กๆจะต้องเตรียมเรื่องอุปกรณ์นะครับชุดสำหรับทานามามันก็จะเพื่อนอย่างที่เราเห็นในในวีดีโอนะครับก็เวลาที่อยู่วันุนเนาะของ ห้อง5ทับ1อยู่วันศุกร์เนาะครูครูครูประตูมาบอกนะครับอยู่วันศุกร์เพราะฉะนั้นก็เอ่อก็อาจจะเป็นเรื่องของการเลอะนะครับเลอะยิ่งเลอะก็ยิ่งเยอะประสบการณ์ผู้กครองก็คิดอย่างนี้นะแล้วกลับบ้านไปไปเจอถูกเท้ามายังไงวะเนี่ยไปเจอเสื้อผ้าทําไมมันอย่างนี้ก็ยิ่งเยอะยิ่งเลอะก็ยิ่งเยอะประสบการณ์นะครับเด็กเขาก็ตอนแรก ตอนแรกก็จะมายี้ยีไม่อยากลงนาแต่พอหลังๆมาก็จะนั่งแช่ไม่ยอมลุกไม่ยอมออกไปแล้วก็ครูต้องตอนให้ไปร้านโครนอะไรอย่างเงี้ยครับ ม, มันเป็นความสุขพอเขารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ของเขามันเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยของเขาเนี่ยเขาก็ไม่กลัวอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เขาก็จะเต็มที่นะครับพ่อแม่ก็ให้กำลังใจแล้วก็เข้าใจในเด็กเดวนี้ น, นะครับแล้วก็คิดว่า ปีนี้การเรียนในเรื่องของโครงการเข้าถ่ายวิถีไทยก็จะเป็นปีที่มีความสุขมีความสนุกสนานแล้วก็ได้มิตร ด, ดในแง่ของการฝึกกายฝึกใจตัวเองในเชิงปัญญานะครับที่จะฝ่าฟันอุปสรรคความอดทนต่างๆด้วยปัญญาเพราะว่าครูสมพนรีบบอกไปนึงอย่างก็คือในภาคเรียนที่หนเนี่ยจะมีการไปพักสนามสามครั้งตอนแรกคิดสครั้งเลยนะ แต่ว่ามันเยอะไปเอาแค่สองท่านก็พอ<ม>ก็คือจะไปที่คุณลุงชัยามร์ที่หนึงแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งก็คือจะไปหาอาจารย์นภาล่นะครับตางากาก่อนซึ่งเด็กเนี่ยเขาจะไปเพราะว่ามันจะมีวิดีในเรื่องของเวลาที่ทํางานไปแล้วมันจะเกียงหงอนกันมันจะฝ่าฟันมันจะอุปนสากมันจะโทษกันว่าเพื่อนไม่ช่วยฉันทําเต็มที่แล้วแต่นายไม่ยุตช่วยเลยกินแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อยาก พาเข้าไปไปไปฝึกใจด้วยที่ที่บ้านขอคุณป้า น, นะครับส่วนเวลาว่าจะเป็น1คืนหรือ2คืนนี่ก็อาจจะเป็นที่อาจารย์อรรมราเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคนพิจารณาความเหมองสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในช่วงประมาณสัปดาห์ที่5ที่6นะครับถ้าเป็นสัปดาห์ที่3านี่จะไปบ้านลุงเชฟก่อนนะครับสัปดาห์ที่ห้าที่6นี้ยังไม่คอสนะครับแต่อยู่ประมาณเน้ยในเฟรมนี้เราก็มีประมาณ1ิบสิสัปดาห์ด้วยกันนะครับ ก็เป็นนั้นว่าการประถมนิเทศการพบปะกันระหว่างคุณครูแล ะ, ะคุณครูป .5 นะครับผู้ครองทาง่านป .5 ทุกคนในานามของคุณครูป .5 นะครับคุณครูสมพรก็ขอขอพระคุคณผู้ปกครองทุกท่านนะครับขอขอบคุณครับสองชั่วโมงครึ่งนะครับเกือบเบครึ่ง